ขอโมทนากับพวกเรานะตั้งใจในการจกฟังพระำทำคำสอนของบุตธเจ้ากันออในครั้งนี้ก็ที่ทางแม่ชีนิมนต์เขาไว้นีนะ่ที่พูดสักครู่นี้บอกว่าต้องการจะฟังในเรื่องของอนุปปีกถาการแสดงอนุปปีคถานี่ก็จะแสดงแบบย่อๆเขาไว้ก็แล้วกันเนะเพราะจะไม่แสดงโดยโดยพิสดารและเพราะ ถ้าแสดงโดยชั้นของพิสดารก็ค่อนข้างดีเยะเวลาก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าในชั้นเนื้อของคำสอนเนี่ยนะที่จะนำมากล่าวเนี่ยท่านจะกล่าวแบบย่อก็จริงแต่ก็จะพยายามขยายใจความเท่าที่จกกะกทำได้ในช่วงเวลาที่ประมาณชั่วโมงก็อีก30นาทีพิยรทีนี้ขอยกในขหาปฏิวัรที่สในปฐมอุคสูตร ในสูตรที่หนึ่งแล้วก็ยาสูตรที่สองมายึดโยงเชื่อมโยงติดต่อกันในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะกูตาคารสาราปามหาวันใกล้กรุงเวสาลีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พิกสุทั้งหลายก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพิกสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจาอุกคะครือหาบดีชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมาอันไม่เคยมีมาใน8ปประการนะเป็นต้นในเรื่องนี้นะ ถ้าบอกสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยนะที่กูตาคารสาราป่ามหาวันเนี่ยกูตาคารสาราป่ามหาวันเนี่ยอยู่ที่เวสาลีท่านในปัจจุบันนี้ก็จะมีซากอยู่ใช่ไหมซึ่งเราไปสกการะถ้าใครเคยไปภายสาลีหรือไปที่เวสารีที่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็จะมีสถานที่หนะ้าที่ตรงนี้อยู่ซึ่งที่ตรงนี้นั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งพระธรรมคําสอนของพระศาสดาก็ค่อนข้างเยอะ และก็ที่นี้แหละที่ว่าเป็นสารทางหรือเป็นสถานที่พระศาสดาเคยเสด็จไปประทับณที่ตรงนี้นั่นเองก็มีขึนหาบดีที่ชื่อว่าอุคคะคหาบดีเนี่ยเป็นชาวเมืองเวสาลีเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบด้วยธรรมอันเป็นหน้าอัศจรรย์แปดประการแต่เป็นข้นหาบดีนะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสกที่อยู่ในเมืองเวสาลีเนี่ยเวสาลีบางแห่งท่านก็เรียกว่าเป็นไผาลี คันไดดำรัดอย่างนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะแล้วก็ไปสู่พระวิหารเบ็ดเสร็จก็ไปไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครั้งนั้นถามบอกว่าทำไมพระบรมศาสดาตรัสกับภิกษุอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ขยายความเหตุ <t> ที่ไม่ได้ขยายความนั้นก็เพราะมีพระประสงค์ว่าต้องการให้ภิกษุนั้นเนี่ยกลับไป เมื่อไปบินธบาตเป็นต้นไปที่บ้านของอุคคะขึ้นหาวุธีแล้วเนี่ยก็ให้ไปสอบถามท่านเองให้ภิกษุนั้นไปสอบถามอุบาสกเองว่าท่านเหล่านั้นมีตัวท่านเองประกอบด้วยคุณธรรมเนี่ยแประการมีอะไรบ้างเป็นต้นท่านเวลาช้าภิกษุรูปหนึ่งนุ่งห่มแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่นิเวศของ อุคคาขณบดีชาวเมืองเวสาลีคันไปแล้วก็นั่งหน้าอาสนะ์ที่ท่านปูราษฏรไหวไว้ลําดับนั้นอุคคาขณบดีก็ชาวเมืองเวสาลีก็เข้าไปหาภิกษุนั้นไหว้และก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วก็ได้กล่าวกับภิกษุภิกษุนั้นได้กล่าวกับอุคคาขณบดีชาวเมืองเวสาลีว่าดูก่อนขณบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ท่านว่า เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมอันน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาใน8ประการดูก่อนข้เราบดีทำที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีอ่ะแประการนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ต่อมาก็อุคคากข้ารับดีก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมก็ไม่ทราบเลยว่าพระพุทธมเหภาคเจ้าทรงพยากรณ์กับผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมี8ประการเป็นฉไหน แต่ขอท่านโปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปประการของกับผมที่มีอยู่จงใส่ใจให้ดีจงฟังผมจะกล่าวผมจะถวายผมจะกล่าวพระธรรมถวายท่านอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าโยมกล่าวธรรมะให้พระฟังไม่ใช่พระกล่าวธรรมะให้โยมฟังแต่ใช้คาว่าผมจะกล่าวถวายท่านคุณธรรม8ประการเนี่ย แต่ผมไม่ทราบว่าพระเจ้าเนี่ยกล่าวยกย่องผมไว้ในทํานองอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่ามีสักวันหนึ่งนะถ้ามามาที่นี่และยอมที่เป็นอุบาสกบาสิกาเนี่ยจะกล่าวพระธรรมอ่ะถวายความรู้ให้กับมาฟังบ้างเ้ามาก็จะชื่นใจเหมือนกันเลยนะก็น่าฟังไหมถ้ากรณีอย่างเงี้ยแต่ที่จริงอีกบางสูตรนี่นะอุคขาขณะบดีเนี่ยถามพระบอกว่า ถ้าแต่ท่านผู้เจริญตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวสรรเสริญกับผมเนี่ยตอนนั้นมีอุบาสกอุบาสิกาอยู่ด้วยไหมมีกระถามนะพระก็บอกว่าไม่มีท่านก็บอกโอ้ดีแล้ว <c oughs> ที่กล่าวเฉพาะกับภิกษุเห็นไหมท่านไม่ต้องการอวดคุณธรรมภายในตนเองเลยนะทั้งๆที่เป็นคนที่มีคุณธรรมภายในอย่างมากเลยแต่ท่านก็ไม่อวด ท่านก็เลยกล่าวบอกว่าคุณธรรมอนาอตจรยร์ไม่เคยมีมาแปประการเนี่ยของกับผมที่มีอยู่จงใส่ใจให้ดีนะผมจะจักเรียนถวายคําว่าจงฟังจงใส่ใจให้ดีคําว่าใส่ใจให้ดีเป็นชื่อของอะไรรู้ไหมเป็นชื่อของโยนิโสมนัสิการคําว่าโยนิโสมนัสิการเนี่ยก็คือการพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาจะแปลกันให้ให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยนะ หรือถ้าแปลตามสา์ที่เ้าเรียกว่าพิจารณาโดยอุบายพิจารณาโดยอุบายอันชอบโดยแยบคายโดยอุบายอันแยบคายนี่พูดไปพูดมาก็เดี๋ยวจะมึนกันใช่ไหก็บอกว่าพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาก็เลยคิดถูกทางถูกวิธีถูกอุบายก็ยังต้องไปไล่รายละเอียดกันค่อนข้างเยอะสรุปว่าทำไมต้องตั้งโยนิโสมเพราะโยนิโสมมนัสการเนี่ยจะเป็นปใจใัจจัยเกิดบุญโยนิโสมมนัสการจะเป็นปใจใัจจัยเกิด กุศลใช่ไหมให้สังเกตดูนะว่าสภาพจิตที่เป็นกุศลนั้นน่ะมีโยนิสโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้คิดคือความเป็นผู้ฉลาดคิดจะเป็นปัจจัยให้บุญเกิดได้ง่ายแต่ก็คนไม่ฉลาดคิดจะเป็นปัจจัยให้บาปเกิดได้ง่ายอโยนิสโสมนัสิการเป็นปจัจจัยเกิดความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมฮะอโยนิสโสมนัสิการเป็นปจัจจัยเกิดกามมั่ฉันท์คือความกำหนัดความยินดีเพลิดเพลินจะเป็นปัจจัยเกิดความขัดเคือง จะเป็นปัจจัยเกิดความหดหู่ท้อถอยจะเป็นปัจจัยเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็จะเป็นปัจจัยเกิดความลังเลสงสัยเกิดให้ทำให้เกิดความมืดบอดของจิตอันนั้นอโยนิโสแต่ท่านต้งบอกว่าจงใส่ใจให้ดีแปลว่าจงตั้งโยนิโสในสกานจะได้เป็นปัจจัยเกิดความไม่กําหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงจะได้เป็นปัจจัยเกิดกุศล เะกุศลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขเพราะเมื่อกุศลแจิตเกิดขึ้นแล้วกุศลจิตจะทําลายอกุศลจะทําลายบาปอกุศลธรรมลามกกุศลแจิตเกิดขึ้นแล้วจะทําลายปาณาติบาตใช่ไหมจะทําลายจิตที่คิดจะฆ่าจิตที่คิดจะรักจิตที่คิดจะประพฤติผิดในกามจิตที่คิดจะพูดเทศส่อเสียดคําหยาบและเพ้อเจ้อจิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่ลุ่มหลงมัวเมาทั้งหลาย ฉะนั้นสภาพของกุศลธรรมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะทำลายจิตบาปเหล่านี้ได้และจะทำให้กุศลธรรมเกิดอย่างต่อนเนื่องและโยนิสโสมนัิการเกิดขึ้นมาแล้วจะทำให้ทำให้จิตที่หดหู่ท้อถอยหายไปไหมหายไปเลยถ้าฟังธรรมแล้วจิตหดหู่ท้อถอยนั่นบ่งบอกว่ามานั่งทำบาปแท้ๆเลยยังไงตรงนี้นี่แหละ โยนิสโสมนัสิกานันจะทำลายจิตประเภทนี้ท่านถึงใช้คำว่าจงใส่ใจให้ดีจิตที่ฟุ้งสร้างจิตที่หงุดหงิดหรือจิตที่ลังเลสงสัยจิตที่เกิดความมืดบอดทั้งหลายไม่สว่างไม่เบาไม่โล่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะขาดโยนิสโสมนัสิการขาดการใส่ใจให้ดีนั่นเองเห็นไหมว่าในความหมายคำเดียวเนี่ยอุกคะขนาดีท่านเข้าใจท่านจึงบอกว่า แต่ขอท่านได้โปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการของกระผมที่มีอยู่จงใส่ใจให้ดีกับผมจักเรียนถวายภิกษุนั้นรับคำของอุคขาขาราวดีชาวเมืองเวสาลีแล้วอุคขาขาราวดีชาวเมืองเออเมืองเวสาลีได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในคราวที่กับผมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไกลในครั้งแรก พร้อมทั้ง ก, การเห็นนั่นเองจิตของผมก็เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งของกระผมที่มีอยู่ท่านบอกว่าว่าครั้งแรกที่กระผมอุบาสกท่านบอกว่าครั้งแรกที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไกลนะแต่ไกลเนะี่ยจิตท่านก็เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นและเลื่อมใส ที่เกิดขึ้นอย่างโลดแล่นในกระแสะใจทันทีเลยโดยไม่ต้องมีใครมาบอกเลยว่านั่นพระพุทธเจ้าไม่มีใครมาบอกเลยนะว่านั่นพระพุทธเจ้าจิตก็เกิดความเลื่อมใสทันทีเลยประเด็นตรงนี้คืออะไรในวันนั้นนะอุคคาขันหบดีเนี่ยนะไปกับบริวารในสวนแล้วก็ดื่มน้ำจันดื่มน้ำเหล้าดื่มเหล้าไปด้วยเมาอะเมาไปด้วยนี่นะ ก็เหมือนกับพวกเรากินข้าวมาแล้วก็มืนมืนเมาเมาเนี่ยนะแต่นี่ท่าน ถ, ถ้าดื่มเหล้าก็ต้องเมามากกว่าใช่ไหมและในขณะนั้ น, นพระบระมา ศ, าศาสดาสเสด็จไกลบินทบาทมีภิกษุสงฆ์ตามสเสด็จด้วยพออุกครข้ า, ข า, าวดีเห็นแค่นั้นแหละเหล้าที่ดื่มไปเนี่ยแอลกอฮอล์ที่เผาอยู่ในร่างกายทั้งหลายถูกสัทธินีคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระาราตนตรัย ความผ่องใสของศรัท ธ, ธาคือศรัท ธ, ธาเป็นธรรมชาติที่ทําให้สภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับตนเองผ่องใสด้วยตัวของเขาเองก็ผ่องใสด้วยเป็นธรรมชาติที่เด็ดเดียวด้วยนะเพราะเชื่อมั่นต่อสัตทยวัตถุเชื่อมั่นต่อคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เห็นแต่ไกลเท่านั้นแหละจิตของท่านก็โลดแล่นโลดแล่นก็คือมีความเด็ดเดียวมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหว น้อมถึงพระรัตนาตรัยเลยเพอศ ร, รัทธาโลดแล่นวิริยะก็ประคับประคองกุศลสติก็ระลึกถึงคุณสมาธิก็ตั้งมัน่นปัญญาก็แทงตลอดเลยไหมคำว่าแทงตลอดในที่นั้นก็คือเห็นคุณของพระาศาสดาเห็นโทษของสังสารวัฏเห็นไหมพอใจเกิดความปราโมดปีติปสัสสธิความสุขสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยก็ขับแอลกอฮอล์ในร่างกายนะออกทั้งลูกขุมขนหมดเลยเ ไอ้ความมึนเมาทั้งหลายก็สางโลง่งทันทีตอนนั้นเลยท่านึงใช้คำบอกว่าในคราวนั้นที่ท่านเห็นเนี่ยพร้อมกับการเห็นจิตของกระผมก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคนของพระพุทธเจ้าตั้งมั่นในคนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความอัศจรรย์ข้อแรกที่เกิดขึ้นในกระแสจิตของกระผมนีทน่ท่านกล่าวถวายพระพาไอ้วันก็มานั่งคิดเราเนี่ย เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นฟังธรรมก็ฟังแล้วใจเป็นอย่างนั้นสักนิดไม่ได้สักนิดแม่อย่าลืมนะว่าถ้าถ้าถ้าศรัท ธ, ธาเกิดจริงๆสภาพของศรัท ธ, ธานั้นจะต้องไปเผาธรรมที่เป็นปฏิปักษ์จะต้องเบียดเบียนธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ขจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์เป็นต้นได้อะไรเป็นปฏิปักษ์ต่อศรัท ธ, ธาอสัตยยะความไม่มีศรัท ธ, ธา วิจิจรชา้าความรังเลสงสัยเป็นต้นใช่ไหมวิริยะก็ต้องเกิดขึ้นก็กำจัดโกสั ช, ชา้าความเกียดค้านได้สติก็ต้องเกิดขึ้นทำลายกาจัดมุดถัดสติคือการหลงลืมสติได้สมาธิก็ต้องเกิดขึ้นก็ต้องทำลายกลุ่มการไม่ฉันทะหรือความฟุ้งซ่านเป็นต้นได้ปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นทำลายกลุ่มความหลงความไม่รู้คุณของพระศาสดาได้จริง แล้วก็มานั่งคิดดูที่ว่าเพียงเห็นหรือได้ยินว่าเราจะาฟังธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาโลดแล่นอย่างนั้นจริงไหมนี่ข้อแรกได้เกิดขึ้นกับท่านนะนี่เป็นธรรมที่น่าสะใจรรที่ไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งของกับผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมมีจิตเลื่อมใสแล้วใช่ไหมถามว่าเมื่อมีความเชื่อแล้วเนี่ยความเลื่อมใสยอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยจะมีใจเด็ดเดียวไหม เมื่อมีจิตเด็ดเดียวแล้วจะเข้าไปใกล้ไหมก็ต้องเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ใกล้ใครใกล้พระเจ้าก็นั่งใกล้ใช่ไหมก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็เงียโสดลงสะดับเมื่อเงียโสดลงสะดับก็ตั้งจิตรับรู้จิตก็น้อมที่จะเพ่งพินิษพระธรรมคำสอนของพระศาสดาแล้ว นี่เขาเรียกมาจากความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแล้วเชื่อจริงๆเชื่ออย่างแบบจับจิตจับใจอ่ะก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็เงี่ยโสดลงสดับเมื่อเงี่ยโสดลงสดับก็ตั้งจิตที่จะรับรู้ตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นนีเราเวลาจะฟังพระธรรมก็ดีจะอ่านพระไตรปิฎกจกะปฏิบททัติธรรมก็ดีเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแบบนั้นไหมในใจจริงๆเนี่ยหรือว่าเฉย อันนั้นบอกบอกถึงกระแสจิตที่ไม่ได้พัฒนาไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้อบรมอย่างต่อเนื่องไม่ได้ระลึกถึงคุณของพระาศาสดาอย่างแท้จริงเนี่ยจะไม่ค่อยตื่นเต้นหรอกก็จะเฉยเฉยมึนมึนไปวันวันวันวันเนี่ยนะอันนั้นก็ต้องระวังนะใจในลักษณะนั้นเป็นใจที่แข็งกระด้างต่อพระธรรมคําสอนของพระาศาสดานี้ท่านบอกท่านเข้าไปนั่งใกล้เนะี่ย เมื่อเริ่มใสแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้เพื่อไปฟังธรรมจากพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาก็แสดงอนุปูพีคาถาโปรดกระผมแสดงอนุปูปปูปีถาก็คือการแสดงเป็นไปตามลําดับเดี๋ยวจะขยายอีกทีในรายละเอียดพอแสดงอนุปูพีคาถาโปรดกระผมก็คือว่าประกาศทานคาถาคือกล่าวเรื่องทานประกาศศีลกถาคือกล่าวเรื่องศีล ประกาศศักขะกถาคือกล่าวในเรื่องของอนิสงส์ของการให้ทานและรักษาศีลการไปอยู่ในสุขติภูมิและประการต่อมาก็โทษของกามอันต่ำสามเศร้าหมองก็หมายความว่าเออในกามภูมิทั้งหลายในสุขติภูมิทั้งหลายนี่นะการได้ตาหูจมกูกเล่นกายใจในการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นก็ดีเนี่ยก็มีโทษก็มีโทษก็เป็นความต่ําซามที่จะทํำเป็นไปกับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นต้นและก็ประกาศอา น, นิสงส์ของเนคขมมะบอกว่าจะพากจิตออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นอย่างไรจะพากตาจิตออกจากทรัพสมบัติบริวารสมบัติเป็นต้นอย่างไรในคราวที่พระบรมศาสดาตอนนั้นก็ทราบว่าจิตของกระผมนั้นเป็นจิตที่ควรเป็นจิตที่อ่อนแล้วคําว่าจิตที่ควรจิตที่อ่อนเนี่ยคนที่ฟังทำเนี่ยนะ ฟังบ่มจากทานกนะุศลศีลกุศลแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของอนิสง์การให้ทานรักษาศีลเนี่ยเบดเสร็จแล้วก็กล่าวถึงโทษของกามแล้วก็อนิสง์ของการออกจากกามทั้งหลายเนี่ยจิตก็จะอ่อนคําว่าจิตอ่อนเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมยไม่ใช่อ่อนแอนะถ้าจิตอ่อนแอนะั่นเป็นไปด้วยอํานาจของกามฉันทะพยาบาทถีนมิธาอุทธะจกักกุกุจ้าวิจิกิชา แต่ไม่ใจของพระใจของท่านอุคขาขลารวดีเนี่ยกลับไปยึดยึดยองไว้อยู่กับกุศลกรรมบุสิทธิ์คือกายสุจจริตสามวจีสุจริตสีมโนสุจริตสามคือไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อจิตใจของท่านเน่ยยึดยองอยู่กับกุศลเขาเรียกว่าม้วนหนีออกจากบาปอกุศลเหมือนขนไก่ม้วนหนีไปม้วนหนีไปอ่ะ นั้นใจของอกฆาข้าวดีเนี่ยน้อมออกจากบาปเขาเรียกว่าเป็นจิตที่อ่อนโยนคําว่าจิตที่อ่อนโยนในที่นั้นก็คือว่าจิตที่อ่อนเป็นจิตที่สงบเขาเรียกกายปัตธิจิตตะปะัตเตียแล้วก็กายะละหูตาจิตตะละหูตาจิตที่เบาก็หมายความบอกว่าจิตที่หลีกออกจากกามฉันท่คือความกําหนัดยินดีเพื่อเธอเพลิน หลีกออกจากพยาบาทคือความหมงุดหงิดฟุง้งซ่านลำคาญออกจากถีนมิทะคือสภาพที่หนักหน่วงของจิตและเจตสิกทั้งหลายออกจากวิจิกิจช้าคือความลังเลสงสัยออกจากความฟุง้งซ่านออกจากความหลงความมืดบอดได้อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตนั้นอ่อนอ่อนและจิตนั้นอ่อนแล้วก็ควรและปราศจากนิวรณ์บันเทิงผ่องใสแล้วพระบรมศาสดาก็ประกาศสาม มุ ก, กังสิกะธรรมเทศนาก็คือประกาศอริยสัจธรรมทั้งสก็ประกาศบอกเกี่ยวในเรื่องของทุกข์แล้วก็เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็พระนิพพานคือความดับทุกข์แล้วก็ประกาศอริยมรรคข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เปรียบเสมือนผ้าที่บริสุทธิ์ไม่หมองดําจึงพึงรีบรับน้ําย้อมได้ดีแม้ฉันใด รรมจากสุปราศจากธุลีปราศจากมวลทินนะเกิดขึ้นแก่กระผมนะที่นั้นแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังซึ้งถึงพระธรรมแล้วข้ามพ้นความสงสัย16ประการปราศจากความเครือบแคลมสงสัยในคุณของ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในกรรมและผลของกรรมเป็นต้นข้าพเจ้าถึงความเกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคาสอนของพระศาสดาได้ขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและสมาทานสิกขาบทอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศไว้เป็นที่หก็คือสิกขาบทห้าบการ คืองดเว้นจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบหรือเพ้อเจ้อแล้วก็งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาเขาบอกั้นใน5ประการหน้าที่นั้นแลนี้แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่สองของกระพรมที่มีอยู่ศรัทธาโลดแล่นแล้วเข้าไปหาเข้าไปหาแล้วฟังธรรมฟังธรรมเมตเสร็จพระบรมรศาสด า, สดากล่าวอนุปุปปีกถาจบลงด้วยสมมุกกลงสิกะเทศนาเลือดญาตสัจธรรมทั้งส ฟังเบ็ดเสร็จแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเรายังงงงงมึนๆอยู่เลยใช่ไหมฟังกันใช่ไหมเห็นไหมความอัศจรรย์ข้อที่สองอันนี้ขนาดเมาไปนะเนี่ยแล้วอย่างเราที่กินข้าวมึนๆ ม, มาแล้วมันมีหายง่วงง่วงไห ม, มอย่างเงี้ยเอาแค่มันหายมึนตรงนี้ก่อนใช่ไหมหายมึนจากการที่บริโภคอาหารมันหนักค้องเกินกว่าเหตุนเนี่ย เอาแค่ okay, นี้ก่อนนะอันนี้ข้อสองอันนี้ถือว่าอัศาจรรย์ไหมอัศาจรรย์หรือไม่อัศาจรรย์ทําไมเราเจอพระเจ้าจึงไม่เลื่อมใสจึงตื่นเต้นได้ยินคําว่าพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งนานแล้วตั้งทำไมไม่เห็นตื่นเต้นอะไรก็ยังเฉยเฉยเกิเอะใจไม่เป็นพ่ออะไรการสั่งสอนในอดีตไม่ดีใช่ไหมแล้วก็การประโยคาในวีบานผิดพาดใช่ไหมโออีกเยอะแยะไปเสด็จแล้วมันขาดเหตุปัจจัยนั่นเอง คาเหตุปัจจัยนั่นเองฉะนั้นท่านใช้คําบอกว่าจิตที่ศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยนะจิตที่ศรัทธาเลื่อมใสยอย่างตั้งมั่นเนี่ยถ้าหากเดินหรือคิดหรือปฏิบัติตามคําสอนของพระศ า, าสด า, าได้อย่างถูกต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งเจตนาว่าขอให้เราเลื่อมใสขอให้เราเลื่อมใสขอให้เราเลื่อมใสไม่ต้องไปตั้งเลยเพราะ การประกอบเหตุที่ถูกต้องดําเนินจิตที่ถูกต้องในที่สุดจริงๆนั่นแหละกระแสจิตก็จะเป็นไปอย่างความเลื่อมใสยอย่างชัดเจนและแข็งแรงอันนี้แปลว่าอะไรเขาประกอบเหตุถูกผลก็เกิดขึ้นกับเขาเช่นคนบางคนเนี่ยถ้าหาว่าทุ่ศีลเนี่ยนะไม่มีศีลเนี่ยแต่จะทําให้เกิดความปลาโมด เ, เป็นไปได้ยังไงไม่ได้ต่อให้ตั้งใจยังไงก็ตั้งใจไปเถอะเพราะศีลไม่มี และเดินกุศลศีลไม่เป็นเนี่ยที่สุดจริงๆวันๆนหนึ่งก็มานั่งซีดหน้าเซียหน้าซีดหน้าเซียวอยู่มัเพราะไม่สามารถเดินกุศลแลกุศลศีลได้จริงเลยในชีวิตเนี่ยเป็นแต่เพียงราคาคุยก็คือไปสมาทานเล่นๆแล้วก็ทิ้งไปวันๆแค่นั้นเองแต่ศีลไม่เกิดจริงในชีวิตจริงเ่ยถามว่าจะได้ปราโมดอย่างไรจะได้ปีติไหมจะได้ปัตธิความสงบไหม จะได้ความสุขจะได้สมนัตจะได้สมาธิจะได้ปัญญาที่รู้กรรมผลของกรรมเป็นต้นเป็นไปยากเป็นไปไม่ได้แต่คนที่เดินกุศลศีลได้จริงๆในชีวิตจริงๆเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้เขาไม่ต้องเขาไม่ต้องตั้งใจขอให้ปลาโมดเกิดกับเรานะขอให้ปีติเกิดกับเราขอให้ปัจสถานความสมงบเกิดกับเราขอให้สุขสมนัตเกิดกับเราขอให้สมาธิที่ตั้งมั่นเกิดกับเรา ขอให้ปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดกับเราเขาไม่ต้องไปตั้งใจอย่างนั้นเลยเพราะเหตุเขาประกอบไว้ถูกเหมือนกันถ้าจิตที่ประกอบไวถูกตั้งไว้ถูกในการพังทำเนะือการปฏิบัติก็จะเดินในขณะนี้รับฟังไข้ควรรับฟังไข้ควรเป็นไปตามลาดับเป็นไปได้ยังไงถ้าคนจเจริญกุศลหรือจเจริญธรรมะอยู่ใช่ไหมปฏิบัติธรรมะอยู่นะ่ะกิเลสจะแทรกใจได้ยังไง เหตที่กิเลสแทรกใจนะบ่งบอกว่าท่านผู้นั้นยังปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดาไม่ถูกถ้าปฏิบัติถูกจริงๆ จ, จะง่วงได้ยังไงเป็นไปไม่ได้แล้วทําไมเขาฟังทำทั้งวันทั้งคืนเขาฟังกันได้ไม่เห็นก็ง่วงเลยใช่ไหมอันนี้ก็บ่งบอกให้เห็นชัดว่าเราเดินกุศลยังไม่ต่อเนื่องยังไม่เป็นไม่เป็นเพราะไม่ใส่ใจให้ดีอย่างที่อุคค่ากัเราพอดีบอก ท่านอุคคะขาวดีบอกว่าบอกพระนะท่านนะตั้งใจฟังให้ดีนะผมจะผมจะรายงานถวายอนะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันไว้ว่าอุคคะขะาวดีนะนะั้นอ่ะตอนนี้ท่านสอนพวกเราด้วยนะต้องสอนพวกเราตอนนี้เราต้องทำตัวเหมือนภิกษุรูปนะั้นเราเป็นภิกษุรูปที่กำลังฟังท่านอุคคะข้าวดีนะเรากำลังฟังธรรมะหมวดนี้อุคคาขะาวดีเป็นผู้กล่าว แต่เบื้องหลังของผู้กล่าวจริงๆคือพระพุทธเจ้านี่อุบาสกเป็นผู้กล่าวพระธรรมแต่การถ่ายทอดโดยใครก็แล้วแต่แต่ที่สุดจริงๆนั้ น, นคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวพระพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวแต่ถ้าพระบอกโอ้ยไม่ฟังแล้วนี่อุบาสกกล่าวยุ่งเลยเพราะเขาเข้าใจว่าผู้กล่าวไม่ใช่อุคฆันตบดีนะพระธรรมที่กล่าวหลั่งไหลออกจากปากของอุคฆันตบดีนะั้นเป็นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้ปแปลวก็ตื่นเต้นใช่ไหมฟังก็น่าตื่นเต้นแต่ถ้าไม่เห็นพระศาสดากล่าวคำสอนเนี่ยฟังแล้วก็หงอยเหงาเศร้าซึมนี่คือความไม่เข้าใจเนี่ยเราพอจะมองเห็นไหมเนี่ยทีนี้ประการต่อไปก็คือว่านี่แหละเป็นธรรมน่าอัศจรรย์ของท่านในข้อที่สองใช่ไหมข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมมีประชาบดีรุ่นสาวอยู่สี่คน พำว่าประชาบดีรุ่นสาวอยู่สี่คนก็คือภรรยานเนี่ยมีภรรยาอยู่สี่คนนะอุคคัลเลบดีเนี่ยมีมากหรือมีน้อยคนรวยอ่ะนะคนมีฐานะท่านมีประชาบดีรุ่นสาวอยู่สี่คนกับผมได้เข้าไปหาประชาบดีเหล่านั้นแล้วได้กล่าวกับเธอเหล่านั้นว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายฉันสมาทานศิกขาบทมีพรหมจารย์เป็นที่ห้า มีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าแล้วสมาทานสิขาบทแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วผู้ใดปรารถนาผู้นั้นจงใช้โพคะสมบัติเหล่านี้แล้วก็ทำบุญนะบอกเลยบอกว่าทราบสมบัติทั้งหลายเนี่ยไม่หวงอะถ้าใครปรารถนาจะใช้สอยก็ใช้สอยแล้วก็ทำบุญเนี่ยหรือจะกลับไปบ้านสู่ตระกูล ญ, ญาติของตัวเองก็ได้เออจะกลับไปบ้านก็ได้ไม่ไม่ไม ไม่ใส่ใจแล้วประกาศอย่างนี้นะให้ซับด้วยให้ซับด้วยแจกซับให้ด้วยหรือประสงค์ชายอื่นฉันก็จะมอบให้แก่เขาเออถ้าประสงค์แย่ปรารถนาจะไปอยู่กับชายอื่นก็ไม่ยึดโยงไม่หวงน้อมที่จะมอบให้คนอื่นสามารถจะให้ภรรยาเป็นทานได้ด้วยและยังรุ่นรุ่นอยู่ด้วยนะนี่คนมีศีลเป็นอย่างนี้นะทีนี้ เมื่อกับผมกล่าวอย่างนี้แล้วประชาดีคนแรกได้พูดกับกับผมว่าได้พูดนะฮะภรรยาคนแรกนะบอกได้พูดกับกับผมบอกว่าขอท่านได้กรุณามอบดิฉันให้แกช้ชื่อนี้เจ้าค่ะโอโหแสดงว่าเธอหมายในใจไว้แล้วใช่ไหมหมายในใจไว้แล้วเนี่ยลองดูนะว่าใจของอุคค่าเข้ า, ขาดีท่านคิดยังไงพอได้ยินคำว่าเออบอกเนี่ยชายคนนี้แหละ ไม่ใช่ไปอยู่กับชายคนนี้อย่างเดียวนะเอาทราบสมบัติไปด้วยนะเนะี่ยกระผมบอกว่าเมื่อกระผมได้ฟังอย่างนั้นแล้วกระผมก็ให้เชิญชายผู้นั้นมาไปเชิญผู้ชายคนนั้นมาไม่ใช่ไปลากอะไรมานนะไปไปเชิญมาเลยเมื่อเชิญชายผู้นั้นมาเอามือซ้ายจับประชาบดีจับประชามือขวาจับตัวจับเต้าน้านี่นะ จับเบ็ดเสร็จเนื้อมือขวาก็จับเต้าน้ำก็คือว่าที่ที่กรวดน้ำเนี่ยล่างน้ำมอบให้ชายคนนั้นเลยก็เมื่อบริจาคประชาชนดีสาวเป็นทานแล้วใช่ไหมให้ทานเลยอันนี้เป็นให้ภรรยาเป็นทานได้อย่างอันนี้ให้จริงไหมเนี่ยให้จริงจริงนะก้าผมไม่รู้สึกว่ามีจิตแปรปลวนไปเลยแม้อย่างอื่น ิจจะแปลปวนแม้แต่น้อยไม่มีเลยนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาในข้อที่สามของกระผมที่มีอยู่บอกในขณะที่ให้ไปนะก่อนให้ก็ดีใจทั้งๆ ท, ท, ที่ให้ของรักนะเนี่ยให้ของรักก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสบำเพ็ญทานนกะุศลอย่างแรงกล้าหลังจากให้แล้วก็ปลื้มใจ เป็นไปกับปัญญาว่าไงโยโมบวชกลับไปทำได้ไหมทรายหัวเลยไม่ได้กลับไปทำไม่ได้ไม่หวงจังเลยต้องถ่ายภาพมาดูหัวจังเลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะท่านรู้ทำของสัตบุรุษแล้ว ถ้าสัปริสถานมีแดนี่ใช่ก่อนให้ก็ศรัทธาเลื่อมใสให้ได้ศรัทธาเชื่อมั่นและเลื่อมใสเชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่อคุณของพระัจ้าตรายัยให้ด้วยความนอบน้อมให้ถูกกาลถูกเวลาแล้วก็ให้โดยอนุเคราะห์คือสลาขาดให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นก่อนให้ก็ดีใจกําลังให้ก็ศรัทธาเลื่อมใส ให้แล้วก็ปลื้มใจในครบแปดประการเลยเนะี่ยนี่สพัพหริสถานแปดอย่างเป็นไปกัยานปัญญาด้วยเนี่เป็นไปกัยานปัญญาด้วยและในถามว่าเมื่อจิตของท่านเดินไปกับกุรลอย่างต่อเนื่องอย่างเนี้ยจิตของท่านจะแปรปลวนไหมไม่แปรปลวนไม่วิปริตไม่เป็นอย่างอื่นเลยไม่เสียใจยเลยนะถ้าอย่างเราใช่ไหมพอพูดในทํานองอย่างนี้เบสเสร็จถ้าภรรยาหรือว่าคนที่อยู่ในใน อนัดของตนเองบอกว่าเออปรารถนาผู้ชายคนเนี้โอ้โหจิตแทบตกไปถึงตะโตมแล้วยจะมอันนี้ท่านไม่เลยจิตคงที่ไม่ฟูขึ้นไม่แฟบลงนี่ยไม่แฟบลงแต่กับเป็นไปกับกุศลอย่างต่อเนื่องนี่แหละนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรน์อันไม่เคยมีมาของกับผมที่มีอยู่ข้อที่สามโอ้ฟังแล้วน่าชื่นใจอย่างนี้นอดูข้อสี่ต่อไปไม ข้อที่สี่ยอมไก่สนใจสนใจข้อสามไหม <c oughs> ไม่สนใจเลยข้าแต่ท่านผู้เจริญในตระกูลของผมมีพภคขัพย์อยู่มากและโวคข้ัพย์เหล่านั้นเน่ยกับผมก็บอกว่าคือมีมากจริงๆ่ะทรา์ของท่านนี้มากใช่ไมไม่ว่าจะเป็นที่ไร่ที่นาบ้านช่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คนมีฐานะ คนรวยในเมืองเวสาราลีว่ากั้าเราพูดถึงก็เป็นเศรษฐีใหญ่ใช่ไหมและโภกทระพย์เหล่านั้นก็ผมก็แจกจ่ายทั่วไปถึงผู้มีศีลฉะนั้นใครที่มีศีลใครที่มีกัลยาณธรรมก็แปลว่าใครที่มีใครที่งดเว้นจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเบอร์เจอร์นี่นะไม่โลภไม่โกรธแล้มีปัญญาทั้งหลายตลอดถึงมีกัลยาณธรรมเป็นต้นมีเมตตามีกรุณาไล่ไปตามลําดับเนี่ย นี่แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีในข้อที่สีของกระผมที่มีอยู่ก็แปลว่าตอนนี้ทราบเปิดประตูบ้านเลยเปิดประตูบ้านต้อนรับผู้มีศีลคือภิกษุภิกษุณีบาศกุลบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายปรารถนาให้ผู้มีศีลมาให้สังเกตดูไหมตอนที่พระบรมศาสดาในในหลายๆลยสูตรนี่นะพระศาสดาเวลาพระองค์ทรงนั่งในพระคันตกุดีนี่นะพระบรมศาสดาถ้ามีคนมาหาพระศาสดามาเคาะ ที่ประตูเนี่ยนะพระคันาะดีเนะี่ยพระาศาสดาจากไม่ลุกไปเปิดนะพระาศาสดาเพียงยกมือขึ้นอย่างเงี้ยดํามเหลีว่าประตูจงเปิดเนี่ยประตูเปิดเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมผลของการเปิดประตูบ้านในคนมาเอาทรัพย์ได้ตามอัธยาศัยทำบ้ า, บางไโยมต่อไปจะได้มีบุญประเภทนี้บ้าง <c oughs> คือไม่หวงนะ่ะเปิดประตูเลยนะผู้มีศีลจงมาผู้มีศีลจงมาเนะี่ยใครต้องการทรัพย์เอาทรัพย์ไป นั่นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทั้งหลายตอนสร้างบารมีเป็นเพื่อต้องการเป็นพระบรมศาสดานี่นะทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นเพื่ออุปการลาเก่บุคคลอื่นทั้งหมดใครปรารถนาทรัพย์ภายนอกเอาไปเลยอวัยวะภายในทุกชิ้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตาปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยทั้งหลายเหล่าเนี้เนืออวัยวะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นตาไม่ว่าจะเป็นจมูกเป็นปากเป็นมือเป็นเท้าทั้งหลายอวัยวะมีหัวใจเป็นต้น ใครปรารถนาสิ่งใดจงนําสิ่งนั้นไปเถือทรัพย์อวัยวะที่มีตลอดถึงชีวิตของข้าพเจ้าที่มีอยู่เนี่ยพึงมีเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นแก่สัตว์อื่นโดยแท้นี่นี่คิดอย่างเนี้ยถ้าอย่างเราเนี่ยแค่คิดยังสะจัดสยองเลยใช่ไหมจะออกจากบ้านยังลั่นดานกุญแจทั้งหลายชั้นนึ้งทียอันนี้แปลว่าเพื่อเพื่อบุคคลอื่นจริงไหมไม่ได้เพื่อเลยเนะี่ย เพืเ่อเกว่าจะออกจากบ้านได้เดินวนรอบบ้านอยู่สามรอบหนึ่งว่ามีรอยอะไรมันจะมันมีรอยอะไรที่มันจะทะลุเข้าไปข้างในได้หรือไม่มันจะหนีขนาดนั้นนะมนุษย์เนี่ยหวงขนาดนั้นเลยข้าแต่ท่านผู้จเจริญในตระกูลของกระผมมีโพค่าสมบัติอยู่มากและโภค่าสมบัติเหล่านั้นกระผมก็แจกจ่ายทั่วไปแก่ผู้มีศีล ม, มีกัลยาณธรรมนี้แลเป็นธรรมที่น่าสะใจไม่เคยมีมาในข้อที่สี่ของกระผมที่มีอยู่ ประการต่อไปค่าแต่ท่านผู้เจริญกับผมเข้าไปหาภิกษุรูปใดก็ผมก็เข้าไปด้วยความเคารพทีเดียวอะไรเนี้ยทาไมเข้าไปด้วยความเคารพเขาเรียกว่าตหนักตะหนักในคุณของพระรัตนะไตราถามบอกว่าการเข้าไปด้วยความเคารพเนี่ยเขาเรียกว่ามีสังฆค า, ารวตาสังฆค า, ารวตาเคารพในพระสงฆ์ถามว่าทําไมจริงเคารพในพระสงฆ์ เพราะกําหนดหมายในใจว่าสงนี่คือตัวเป็นตัวแทนของสังฆะเป็นตัวแทนของสังฆะถ้าบอกเป็นตัวแทนของสังฆะแม้แต่เห็นสัมมะเนนในน้อยเนี่ยก็สำคัญว่าเป็นตัวแทนของสังฆะทั่วสังฆมลฑ น, น, นจำนวนสงเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกดๆนี้คือตัวแทนฉะนั้นเมื่อตัณหักในคุณของพระสงฆ์ อย่างลึกซึ้งขนาดนี้แปลว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นในคุณของบรัตนาไตรนะถามระวังใจได้จริงไหมเราเห็นพระหนึ่งรูปเนี่ยเราเคยเกรงใจสงไหมเคยตระหนักในคุณของสงไหมหรือเรายังสำคัญว่าท่านผู้นี้อย่างนั้นท่านผู้นี้อย่างนั้นยังวางใจสัดสายอยู่ถ้าเรายังวางใจสัดสายในบุคคลอยู่ตราบใด เราจะเจริญทานที่เป็นสังฆทานไม่ได้จะเจริญได้ยังไงถ้าเห็นพระมาบิณฑบาตหนึ่งรูปขึ้นมาเนี่ยเราจะน้อมจิตในการตักบาตรเนี่ยถวายได้สงฆ์ได้อย่างไรที่สุดจริงๆมันก็คือให้แก่บุคคลอยู่ดีเพราะเราไม่ได้จะหนักในคุณของสงฆ์แต่ท่านอุกคระขร า, าวดีไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอุคคระขร า, าวดีเนี่ยเป็นผู้ที่ตระหนักในคุณของพระสงฆ์ มีความลึกซึ้งในพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายอย่างอย่างนอบน้อมด้วยเขาเรียกว่าอะไรเพราะท่านมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระสงฆ์ท่านก็นอบน้อมในสังฆะเพราะท่านเข้าใจว่าสังฆะนั้นเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยใช่ไหมพุทธรัตนธรรมรัตนะและสังขรัตนะท่านเห็นสงฆนะ์เนี่ยท่านก็เห็นรัตนะ อันเลิศรัตนอันประเสริฐรัตน์อันประนีตรัตนอันสูงสุดเมื่อใจน้อมถึงรัตนะเหล่านี้แล้วเนี่ยจิตใจนั้นก็จะพ้นจากความทุกข์เป็นต้นได้อันนี้แปลว่าอะไรท่านกำจัดความขัดเคืองในสังฆะในบุคคลได้อย่าลืมนะเป้าหมายของการเจริญทานศีลและภาวนาของอุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยต้องทำลายโลภะในทยธรรม ต้องทำลายโทสะในปฏิคาหกให้ได้ถ้าเรายังหงุดหงิดขัดเคืองในปฏิคาหกแปลว่าความไม่โลภความไม่โกรธไม่โลดแล่นในใจถ้าปัญญาไม่เห็นคุณของพระรัตนตรัยแปลว่าแปลว่าความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาไม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะ ฉะนั้นอุกคลาข่าบดีเนี่ยท่านนอบน้อมพระสงฆ์เมื่อท่านเข้าไปหาพระสงฆ์เนี่ยแปลว่าท่านเดินเข้าหาสังขารัตนะเมื่อเดินเข้าหาสังขรัตนะเนี่ยท่านจึงตระหนักในคุณของพระอริยสงฆ์เพราะรัตนะนี่เป็นรัตนะอันประณีตเป็นรัตนะที่สูงสุดใช่ไหมพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะเนี่ยท่านเข้าใจไง ว่าที่ท่านย่างกายเข้าไปหาพระสงฆ์นั้นน่ท่านตระหนักในคุณของพระสงฆ์ทำไมท่านเชื่อมั่นในคุณของพระสงฆ์เพราะท่านมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัยทำไมมีศรัทธาเชื่อมั่นในสัตยะวัตถุในพระรัตนตรยัยทำไมท่านึงเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวขนาดนั้นเพราะท่านมีโยนิโสมนสัสการ ทำไมท่านจึงมีโยนิโสมณิสิการเพราะท่านครบบัณฑิตเพราะท่านฟังธรรมทำไมท่านถึงฟังธรรมอ่าเพราะท่านได้ครบบัณฑิตทำไมถึงครบบัณฑิตเพราะท่านอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเพราะท่านสร้างปุเพกตาปุญญตาและท่านเคยมีอัตตสัมมาปณิธิในอดีตไว้ฉะนั้นการที่ตั้งตั้งอัตตสัมมาปณิทิคือตั้งสัมมาทิฏฐิไว้ดีนี่แหละท่านจึงทำปุเพกตาปุญญตาท่านจึงมาเกิดในถิ่นที่มีคำสอนของพระศาสดา แล้ท่านก็ครบสัตบุรุษแล้วท่านก็ฟังธรรมพอฟังธรรมจึงเกิดโยนิโสมพอเกิดโยนิโสมนสิการและศรัทธาท่านจึงโลดแล่นท่านเข้าใจไงว่าปฏิบัติผิดต่อพระสงฆ์ก็คือปฏิบัติผิดต่อพระรัตนตรยัยเมื่อปฏิบัติผิดต่อพระรัตนตรัยแล้วถามว่าปฏิบัติผิดต่อพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยชีวิตจะเสียหาย เพราะเป็นการปฏิบัติผิดในรัตนะอันปณีตอันสูงสุดรัตนะอันนี้ควรจะน้อมจิตให้ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวไม่ใช่ไปตำหนิคุณของพระรัตนตรัยใช่ไหมอันนี้แปลว่าท่านเข้าใจแล้วข้าแต่ท่านพร้เจริญกับผมเข้าไปหาภิกษุรูปใดนะกระผมก็เข้าไปหาด้วยความเคารพทีเดียวไม่เข้าไปหาโดยความไม่เคารพ นั้นเข้าไปก็เข้าไปด้วยนอบน้อมกายกรรมก็นอบน้อมวจีกรรมก็นอบน้อมแม้มโนกรรมที่จะคิดไม่ดีต่อสังฆะไม่มีเลยอันนี้ทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราจักไม่เจริญงอกงามในธรรมวินัยในศาสนาของพระชินเจ้าแต่ถ้าทำได้เราจากเจริญงอกงามในศาสนาของพระชินเจ้าอันเสรต พราะรัตนะนี่เป็นรัตนะที่ประณีตใช่ไหมนี่แหละเป็นธรรมที่น่าสัจจันที่ไม่เคยมีมาข้อที่ห้าของกับผมที่มีอยู่แต่ก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้เลยอ่ะแต่ก่อนไม่เคยเป็นเลยนะที่ว่าจิตประจัยเป็นแบบเนี้ยแต่พอหลังจากเจอพระเจ้าครั้งแรกปุ๊บแล้วได้ฟังธรรมแค่นั้นตั้งแต่นั้นมาก็จิตใจนอบน้อมมาตลอดไม่เคยมีจิตใจกระด้างกระเดืองต่อพระรัตนตรยัยมีพระสงค์เป็นต้นเลยข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ หากท่านผู้มีอายุจัดแสดงธรรมแก่กับผมเนะอันนี้ท่านพูดเลยนะหลังจากได้ข้อที่ห้าแล้วใช่ไหมท่านก็ประกาศยืนยันข้อที่หบอกว่าเนี่ยที่ผมกำลังกล่าวคุณธรรมภายในของผมอยู่ณนะขณะนี้นะหากท่านผู้มีอายุ <c oughs> ก็หมายความว่าหมายถึงพระหรือใครก็แล้วแต่นี่นะแสดงธรรมแ ก, กม่กับผมกับผมก็ฟังโดยความเคารพแท้คือเคารพแท้เนี่ย เขาเคารพพระธรรมเขาเคารพยังไงอ่ะในขณะที่ฟังธรรมอยู่เนี่ยเขาเคารพพระธรรมยังไงรู้ไหมลองดูนะว่าจริงๆแล้วใจเราเคารพจริงหรือไม่ดูตรงไหนเอาเขาดูตรงไหนหนึ่งในขณะฟังธรรมนั้นการ ม, มาฉันท์าไม่เกิดคือความยินดีความเบิดเฟินไม่เกิดกำหนัดนี่นะไม่เกิด สฟังธรรมแล้วความขัดเคืองไม่เกิดขัดเคืองเกิดพยาบาทงดหยิดพุด้งซ่านไม่เกิดฟังธรรมแล้วหดหู่ท้อถอยความหนักของจิตไม่เกิดฟังธรรมแล้วไม่รังเลสงสัยฟังธรรมแล้วไม่พุ้งซ่านฟังธรรมแล้วไม่มืดบอดงั้นการฟังธรรมแล้วเนะี่ยตั้งจิตที่เป็นไปกับความศรัทธาเชื่อมั่นเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่อ่อนเบาควรต่อกุศล อย่างนี้เขาเรียกว่าฟังทำโดยความเคารพท่านถึงใช้คำว่าถ้าท่านผู้มีอายุนั้นแสดงธรรมเก่กะผมกะผมก็ฟังด้วยความเคารพแท้ๆไม่ใช่ฟังธรรมโดยไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นไม่แสดงธรรมเก่กะผมทาไมแสดงนะกะผมก็จะแสดงธรรมเก่กท่านนั้นอ่าเราเป็นอย่างนี้จริงไหมเวลาเราเข้าไปหาพระเนี่ย แล้ตั้งอัธยาศัยไว้สองมุมไเข้าไปว่าเออท่านถ้าท่านแสดงธรรมผมก็จะฟังโดยความเคารพนะแต่ถ้าท่านไม่แสดงธรรมผมจะแสดงธรรมให้ท่านฟังตั้งหลังนี้อันนี้ถือว่าอัศจรรย์มากนะเนี่ยใช่ไหมเป็นอุบาสกที่อัศจรรย์มากเอ๊ะมายังไม่เคยเจออุบาสกแบบนี้สักทีเลยนะเนี่ยลูปบาศกาก็เหมือนกัน แต่ที่เข้าไปเพื่อจะฟังธรรมมนะันมีนะเข้าไปที่ไม่ฟังธรรมมมีเยอะมีเยอะอ้เข้าไปที่ไม่ฟังธรรมนะีม่เนี่ยไอ้เข้าไปที่ไปที่น้อมจะไปฟังธรรมเนะี่ยไม่ค่อยมีหรือเฮ้ไปแสดงธรรมเนะี่ยก็ไม่มีโดยมากไปแสดงเรื่องที่ไม่เป็นธรรมไม้ฟังเนะี่ยเยอะมากเลยนี่ไม่ใช่แสดงธรรมแล้วเช่นไปเล่าเรื่องลูกเรื่องหลานนะี่นะ ไปถึงเป็ดเสร็จพอไปเจอพระก็บอกแม่ลูกคนนั้นอย่างนั้นหลานคนนั้นอย่างนี้ยอมนี่นะปฏิบัติดีกับเขาแทบแย่เลยทําไมคนนั้นเป็นอย่างนี้มีเยอะเลยแบบเนี้ยอันนี้ใช่แสดงธรรมไหมอันนี้ไม่ใช่แสดงธรรมเลยอยากเจอจังอุบาสกแบบอุคคัศนข่ขนาวบุตีนี่นะไปเพื่อจะไปฟังธรรมก่อนแต่ถ้าพระไม่แสดงธรรมท่านจะแสดงธรรมโอ้อยยยยยยตั้งหลักอย่างนี้หน่อยได้ไหม เข้าไปถึงเบ็ดเสร็จก็ไปกราบพระพระก็จะถามว่าเออยมมาธุระอะไรบอกอ้อยมมาต้องการจะมาฟังธรรมแต่ถ้าท่านไม่ฟังธรรมยอมจะมาแสดงทำไมท่านฟัง <laughs> ตั้งหลักอย่างนี้ดูนะอย่างเงี้ยโอ้โหพระก็ชื่นใจเลยใช่ไหมพระจะรีบฟังธรรมเลยไหมแบบเนี้ยพระโอ้โหวันนี้ชื่นใจมากไม่เคยเจออย่างเี้สักทีเลยใช่ไหม ท่านก็จะแสดงธรรมให้ท่านนี้แลเป็นธรรมที่น่าสัจจันต์นันไม่เคยมีมาในข้อที่6ของกระผมที่มีอยู่อันนี้แปลว่าท่านแสดงธรรมหรือแต่ไม่ใช่ท่านไปเพื่อจะไปแสดงก่อนนะไปเพื่อจะไปฟังแสดงให้เห็นชัดว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นการปฏิบททัติธรรมนั้นอุบาสกในเวลาไปหาพระอุบาสิกาเราไปหาพระไปเพื่อฟังธรรม แต่เมื่อไม่ฟังใช่ไหมถ้านิท่านเป็นผู้มีความรู้เนี่ยเป็นพระอริยะด้วยใช่ไหมเวลาเข้าไปเนี่ยถ้าหากในยุคปัจจุบันถ้ารู้ว่ามีอุบารสกเป็นพระอริยะเนี่ยเข้าไปหาสมมติเข้ามาหามาเป็นพระอริยะโอ้เอามาเกรงใจตายเลยใช่ไหมยอยากเจอจงจี้เงี้ยนะเข้ามานี่โอ้โหหน่าเกรงใจมากเอาจจะเกรงใจไหมถ้ารู้ว่าท่านบุณนี้เป็นพระอริยะบุคคลมาหาเราเนี่ยโอ้เกรงใจเลยใช่ไหมเอามาจะฟังทำเลยว่าเออเนี่ย ธรรมะเหล่านี้ลองแสดงให้ฟังหน่อยดิแสดงแบบเชิงลึกซึ้งอะ่ะอยากฟังมากๆเลยนะจะน้อมฟังเลยเพราะท่านเหล่านั้นกล่าวมาก็คือนำพระไตรปิฎกมากล่าวนั่นเองใช่ไหมย่อมจะไม่กล่าวผิดเพี้ยนจากพระไตรปิฎกอัจฉริยหรือดีกาเลยฟังแล้วมีความไพเราะมากพระไตรปิฎกในฟังแล้วมีความลึกซึ้งมีความไพเราะมากถ้าใครนะได้ศึกษาพระไตรปิฎกนะไปสักรยยะยะหนึ่งหนังสือทุกประเภทในโลกใบนี้โยนทิ้งหมด จะเห็นความไม่มีสาระของหนังสือทั่วๆไปเลยอัทธรสธรรมรสในคําสอนของพระศาสดานะมีความไพเราะมีความลึกซึ้งมากๆแต่ผู้สแสดงต้องกล่าวให้ถูกอัตถะและเปียโ น, นะแล้วก็ต้องเจาะสภาวธรรำไม่ถึงด้วยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่น่าอัศจรรย์นะบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญไม่น่าอัศจรรย์ที่เทวดาทั้งหลายเข้าไปหากระผมแล้วบอกว่าเออมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเทวดาเข้าไปหาท่าน ท่านบอกว่าอันนี้ไม่น่าอัศจรรย์นะโอ้ถ้าอย่างพวกเรานั่งอยู่ที่ห้องแล้วมีเทวดาไปหาอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์เลยกลับมาในเล่าแปดวันแปดคืนไม่จบ <c oughs> ใช่ไหมอันนี้ท่านบอกว่าเทวดขนาดอย่างเราทั้งหลายเนี่ยบางทีไม่ไม่ต้องเห็นเทวดาหรอกบางคนไปถ่ายภาพออกมาเห็นอะไรเป็นรูนิดหน่อยโอโ้โหเนี๋ยวนี้อัศจรรย์มากอัศจรรย์มากบอกว่าเทวดาเทวดาไม่รู้จริงเท็จอย่างเงี้ยเนี่ยนะ อันนี้เทวดาเข้าไปหาท่านเลยนะเทวดาเข้าไปหาแล้วบอกว่าดูก่อนกัลยาบดีทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วใช่ไหมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นก็ไล่ไปตามลําดับไล่ได้ไหมสวาขาโตพระกวัตตาธาัมโมสันทิติโกอากาลิโกอเอหิปัสิโกอ โ, ปโกอปะณียโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหีเนี่ยแปลได้ไหมเนี่ยแปลได้ไหมได้ พระธ ร, รเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแล้วก็ว่าง่าต่อไปสันทิฏฐิโกนี่ว่าไงเป็นธรรมที่ผู้นึกไม่ออกเลยนะผู้ศึกษาและปฏิบัติจะเห็นได้เฉพาะตนใช่ไหมศึกษาเราเห็นได้เฉพาะตนไหมศึกษากับปฏิบนะัติน่ยผู้ศึกษาและปฏิบัติเนี่ยศึกษากับปฏิบัติเนี่ยอันเดียวกันไหม เนี่ยเราไปแยกถ้อย่างนี้ยลําบากตรงนี้เนะี่ยสิกขินั่นก็คือปฏิบัตินั่นแหละนะก็คือการเดินตามศีลสมาธิปัญญาศึกษาปฏิบัติเนี่ยอันศัพท์เดียวกันนี่นแหละโ ด, ย, ดยหลักการก็คืออัถะเดียวกันวยัญชนะต่างแต่ศึกษาของเราไม่เข้าถึงปฏิบัติสัสนี่ก็เลยต่างกันเนี่ยการปฏิบัติของเราก็เลยต่างอย่างเช่นฟังธรรมกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือโคลานฮะ อันเดียวกันเรื่องเดียวกันพอเราไปแยกแล้วเลยลำบากจนทุกวันนี้แหละก็ท่านอุคค้าข่าวดีเนี่ยฟังทำแล้วได้บรรลุใช่ปฏิบัติไหมใช่ไม่ใช่ยะศักดิ์กบุตรฟังทำแล้วได้บรรลุพ่อของยะศแม่ของยะศักดิ์ฟังทำแล้วได้บรรลุโกนทัญญาวะป่าพัทธิยะมหานามาอัศชีฟังทำแล้วได้บรรลุภาษาลิบุตรฟังทำแล้วได้บรรลุพระโมคคัลลานาฟังทำแล้วได้บรรลุใช่ศึกษาไหม ใช่ปฏิบัติหมก็นี่แหละแล้วเรามันไปเข้าใจยังไงขึ้นมาเนี่ยถึงศึกษาแล้วปฏิบัติไปนั่งแยกกันอยู่ทุกวันเนี่ยอันเดียวกันที่ฟังเนี่ยเป้าหมายวุต้องการเป็นปัจจัยในการมรรู้เนยเนี่ย <c oughs> ย่อมหน้าหนักใจไหมหน้าหนักใจนะหน้าหนักใจตรงที่เราไปแยกความหมายจนกลายเป็นคนละคำไปแล้ว กลายเป็นคนละเรื่องไปแล้วพ่าบอกสํานักเรียนพระปริยัติไปเลยทียนี้ไปกันแลน้วเทียนี้เลยไม่มีการปฏิบัติกันแล้วเทียนี้ใช่ไหมไปเข้าใจอย่างนั้นเพราะปฏิบัติก็เลยไม่เอาปริยตัตก็อีกแต่นี่ก็ไปแยกกันแล้วทําไงเทียนี้ยแล้วจะไปได้ไหมเทีเนี้ไอ้ที่ปฏิบัติก็ไม่เอาคําสอนไปใส่ใช่ไมไอ้ที่เอาคําสอนไปใส่ก็นึกว่าไม่ปฏิบัติเลื่นี้จะทําไงเทียนี้ย สคนก็ไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันแตเนี้ยเอาสิแต่เนี้ยคนละกลุ่มเลยได้แยกค่ายกันแล้วยุ่งไห้แต่เนี้ยฉะนั้นต้องกลับมารวมไหมรวมกันและเรื่องเดียวกันไหมเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้จะไม่เป็นเรื่องเดียวกันได้นะ่ะเข้าสังคมก็ปั่นปวนเลยทตเนี้ยปั่นปวดยังไงปฏิบัติไม่เอาคําสอนอยู่กับคําสอนไม่เอาปฏิบัติจะไปใหญ่ไหมแท่เนี้ยไปคนละทางไห้แต่เนี้ยเลยยุ่งเลยทั้นต้องดึงมารวมอันเดียวกันให้ได้ เนี่ยต้องแยกให้ยอย่าไปแยกพลาดผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเนีถ้าโดยใช้ศาสต์ก็คือว่าผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอพอบอกปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอ ง, เ, อ ง, เ, ดด เ, องเดี๋ยวจะไปเข้าใจคําว่าไม่มีศึกษาในนั้นท่านเลยใช้คําว่าผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเองก็ะอย่างนั้นเนี้แต่สองคำนี้ต้องเอามาเชื่อมกันให้ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้แล้วขับเน้นออกมาเป็นการปฏิบัติออกมาให้ได้แม้ในขณะที่กล่าวพระธรรมและแม้ในขณะที่ฟังธรรมถ้ามากล่าวถ้าทมออามาเห็นว่าไม่ใช่เป็นการปฏิบัติออมาจะมากล่าวทาไมเราเสียเวลาปฏิบัติออมาแย่ yeah, ใช่ไหม ถ้ากล่าวพระธรรมไม่ไม่ใช่ปฏิบัติเอามาจะมากล่าวทําไมแล้วเอามาจะได้ประโยชน์อะไรจากการกล่าวแต่พอเอามาเข้าใจว่าการปฏิการกล่าวพระธรรมคือการปฏิบัติธรรมเอามาจึงมากล่าวธรรมเราเห็นว่าการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมเราจึงมาฟังธรรมใช่ไหม <S <S เพราะการแสดงธรรมบรรลุในขณะแสดงก็มีคนฟังธรรมบรรลุในขณะฟังธรรมก็มีใช่ไม่ใช่นี่มีในคําสอนนะ นี่เพราะเราไม่ได้เข้าใจในมุมนี้ให้ถ่องแท้ก็เดินให้เข้าใจให้ถ่องแท้เราก็เลยบอกว่าช่วงนี้พักเบรกถามว่าเวลาพักการฟังธรรมเนี่ยการปฏิบัติถูกพักไปด้วยไหมถูกไม่ถูกไปโดยข้อเท็จจริงเราพักาการปฏิบัติไปด้วยไหมเราพักไปเรียบร้อยแล้ว แล้วเวลาเข้าห้องน้ำเราก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติอีกแล้วเพราะเราจะเข้าห้องน้ำเวลาไปกินอาหารก็ไม่มีปฏิบัติเดินแล้วเพราะเราไปกินอาหารเวลาไปเดินออกไปข้างนอกก็ไม่มีปฏิบัติเพราะเราถือว่าเป็นการไปเดินไปข้างนอกเวลาไปซื้อของการปฏิบัติก็ไม่มีเพราะเราไปกำลังไปซื้อของเดี๋ยวนี้ก็เลยแยกเลยเดี๋นี้เวลานี้พักเวลานี้ไปปฏิบัติปีหนึ่งเดี๋ยวขอเข้าปฏิบัติ7วัน บางคนใช้สับดีนะขอไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนว่าอะไรก็ไม่รู้ใช้สับอะไรขึ้นมาไปกันทั่วเลยนะแล้วแล้วสภาพของการเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็ไม่พัฒนาเอาใหม่ได้ไหมแล้วจะทันไหมเนี่ยทันนะเอาให้ทันกันแล้วกันนะก็นับอายุดูกันแล้วกันนคนอายุเจ็ดขวบก็ตายไปไม่ใช่น้อยแปดขวบก็ตายไปไม่ใช่น้อยท่องแบบเนี้ยนะ ยีขวบก็ตายไปไม่ใช่น้อยเข้าใจคําว่าลองไปดูในปฐมมรณามรณสติสูตรหรือทุติยามรณสติสูตรไปดูในอังกุตรนิกายเป็นต้นไปดูสิท่านกล่าวว่าไงว่าคนไม่ประมาทเนี่ยเจริญมรณสติเขาเขาาไม่ประมาทอย่างไรก็บอกว่ามีภิกเุรูปหนึงวันหนึ่งคืนหนึ่งนึกถึงความตายก็รีบกระทํากิจตามคําสอนของพระศาสดาให้มากว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้น อีท่านหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพียงวันหนึ่งเท่านั้นเน่ยฉะนั้นจึงต้องประกอบกิจในการเจริญกุศลทํากิจในการกําหนดรอบรูทุกข์ละสมุทัยทํำมิโรดให้แจ้งเจริญมากให้มากในคําสอนของพระศาสดาเรามีชีวิตอยู่เพียงแค่วันหนึ่งเท่านั้นอีกท่านหนึ่งก็ครึ่งวันอีกท่านหนึ่งก็ชั่วเวลากินข้าว4ค่คำเป็นต้นแต่อีกท่านหนึ่งบอกว่าชั่วเวลากลืนข้าวคํา1กับอีกท่านหนึ่งบอกว่าชั่วเวลาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ย เรามีอายุอยู่เพียงแค่เท่านี้เท่านั้นพระศ า, าสดาตำหนีมาตามระดับนะมาสรรเสริญว่าใครคิดว่าโลมจเจริญมรณะสติชั่วลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหรือชั่วข้าวที่กืนไปแต่ละคำแต่ละคำนี่อย่างนี้ชื่อว่าไม่ประมาทแล้วก็มาดูที่เราคิดถึงความตายขนาดท่านทั้งสองนี้ไหม ประเภทที่ดูการขาดไปของลมหายใจเข้าแล้วออกนี้คือความขาดไปของชีวิตนะไม่ได้แล้วใช่ไหมชีวิตของเรามันจะขาดไปในช่วงหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ไม่ทราบน่าเป็นห่วงไหมแต่เราประมาทได้อ่ะชีวิตเราประมาทได้เอางี้ถ้าหายใจเข้าและหายใจออกขนาดนี้แล้วทีนะั้นมีท่ากาลังเกิดเนี่ยนะแล้วตายลงในขนาดนี้จะไปไหน จะไปไหนดีจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่งดงามได้ทรา์สมบัติได้ไหมก็ได้อบายทุกขติวินิบาตนรกได้แค่นั้นเองเออฟังธรรมตายตกนรกแล้วอย่างนี้อย่างนี้เป็นธรรมกับเราไหมเนี่ยเราจะไปต่อรองกับเทวดากับกับนายนียบาลได้ไหมก็ผมนั่งฟังธรรมอยู่ดีๆทําไมผมต้องมาตกนรกไปต่อรองกับเวไอนายนียบาลได้ไหม เนี่ยนายยัยบายก็จะย้อนถามกลับว่าเอา้าแล้วนั่งทําบาป ท, ทำไมไอ้รูปแบบมันถูกแต่ใจของคุณมันผิดนะใช่ไหมรูปแบบมันถูกจริงคุณมาฟังธรรมจริงแต่คุณคิดบาปเองอะ่ะแล้วคุณตายในขณะที่บาปเกิดในใจของคุณคุณก็เหมาะสมแล้วที่คุณมาลงอบายภูมิใช่ไหมใช่ไหมใช่ฉะนั้นก็ก็คุณไปยึดแค่รูปแบบก็คุณต้องการสร้างภาพไม่ใช่หรือ คุณสร้างภาพคุณก็ได้ภาพแต่คุณไม่ได้ของจริงอะ่ะก็มานั่งคิดือนเป็นอย่างนั้นจริงๆงั้นต่อไปเราจะไม่สร้างภาพอีกแล้วแต่เราจะทำจิตของเราให้เป็นไปกับกุศลจริงๆริงข้าแต่ท่านผู้เจริญนั้นบอกว่าท่านบอกว่ า, า, วาเมื่อเทวดาทั้งหลายกล่าวว่ากับผมบอกกล่าวบอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเน่<อ>กระผมจึงพูดกับเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายพึงบอกอย่างนี้หรือไม่บอกอย่างนี้ก็ตามแท้ที่จริงพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วใช่ั้ยเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองใช่ไม้มเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการใช่ไหมเป็นธรรมที่ควรเรียกให้มาดูไหมเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดไหม เป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนใช่ไหมถามบอกว่าท่านทั้งหลายเพิ่งบอกอย่างนี้หรือไม่บอกก็ตามแท้ที่จริงทามันพัะผู้วิภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแก่กับผมผมก็ไม่รู้สึกเลยว่าความฟูใจจะมีมาแต่เหตุนั้นผมไม่คอยไม่ค่อยฟูใจเลยที่จะมีคนยกย่องเสร ะ, ะเสรืนนะ ข้อที่เทวดาทั้งหลายมหากับผมหรือกระผมได้ปราศัยกับเทวดาทั้งหลายนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาในข้อที่เจ็ดที่กระผมนี่อยู่ก็แปลว่าเทวดามหาสามารถนั่งสนทนากับเทวดาได้ท่านก็ไม่เคยปูใจกับการว่าโอ้โหแต่ก่อนเทวดาไม่เคยมาหาท่านแต่ตอนนี้พอท่านได้บรรลุปเป็นพระเอีย่ย บ, บุคคลแล้วเทวดามหาประจําเลยเนี่ยเนีะแล้วอยู่บ้านเทวดามหาบ้างไหมูม่พระอยู่รูปหนึ่งท่านบอก เอ๊ผมเคยสังเกตไหมท่านานายร์ผมไปนั่งคนเวลาเป็นนั่งที่ไหนจิ้งจกมันมักจะมามมามานั่งอยู่ตรงนั้นะหมายความมันมันจะมาอยู่ตรงที่หัวเรามาเปเสร็จมันก็มาถ่ายอยู่จะลรา <c oughs> ออลส์เ อ, นอนลยลองสังเกตดูในขณะนอนใครเคยสังเกตไหม <c oughs> เวลาไปนั่งนั่งอยู่นะั่ที่ตรงไห น, นเออมนุษยอยู่ตรงไห น, นจิ้งจกเขาชอบจะมาอยู่ตรงหัวเราไหนเ อ, อ๊ะมาไม่เคยรู้ข้อมูลตรงนี้เลยเนาะทำไมเยอะเด็กอยู่คนหนึ่งไง มันไปนอนไปบวดเน้นนี่เนี่ยชอบทําบาปชอบทําบาปก็คือว่าก็เป็นนอนนอนเขาสังเกตเขาชอบใช้หนังหนังยางยิงยิงจบก็ถามพี่ยิงเขาทาไมเขาบอกเนี่ยผมไปนอนที่ไหนมันก็วิ่งออกมาแล้ว <c oughs> มันจะวิ่งมาตรงหัวผมพอดีเลยว่างั้นมันก็ถ่ายมันจะล่าเหัวผมก็ <c oughs> ผมเครียดมากเลยก็บอกงั้นนะเนี่ยก็บอกโอ้เขาห่วงที่เขาเนี่ยเขาห่วงเนะไร เออคนที่ห่วงบ้านก็ดีห่วงทรัพย์ก็ดีน่าคิดกันนะนะอ้จริงจกเขามีไข่ไหมมีนะเอะถ้าเราตายแล้วห่วงบ้านนี่ลรวควรเป็นอะไรดีเนาะ <c oughs> ในไะข่เนี่ยเป็นที่ปฏิสนธิของสัตว์ได้ไหม <c oughs> ได้วุ่น่ากลัวมากจากสี่เท้าจากสองเท้ากลายเป็นสี่เท้าจากสี่เท้ากลายเป็นสองเท้าก็น่าคิดเล่าแต่ท่านผู้เจริญกับผมไม่พิจารณาเห็นนะ ถ้าผมไม่พิจารณาเห็นสังโยชน์ไหลในโอรัมพาคียสังโยชน์ห้าสังโยชน์เบื้องบนสูงนี่นะที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วว่ายังละไม่ได้ในตนโอ้ oh. คือสังโยชน์ก็มีการมราค่าสังโยชน์ปฏิค่าสังโยชน์มานาทิฐิเป็นต้นเหล่านี้คืกลุ่มกิเลสนั่นแหละแต่โอรํมพาคียะสังโยชน์นี่นะห้าอย่างนี้นะเป็นสังโยชน์เบื้องบนเนี่ย พวกรูปปลาคารูปปลาคาอันนี้น่าคิดมากแสดงว่าวันนั้นที่ท่านฟังธรรมเนี่ยท่านไม่ใช่ได้มรรคเดียวแล้วใช่ไหมถ้าได้มรรคเดียวก็ได้แต่โสดาบันท่านก็ละสังโยชน์เบื้องต่าแต่ น, นี้ท่านบอกว่าสังโยชน์เบื้องบนด้วยสรุปแล้วอุบาสกท่านนี้ท่านเป็นผ้านาคาโอ้โหวิเศษจังไหมล่ะฟังอนุปูปีกถา 5, ได้เป็นผ้านาคาสรุปลองฤษสัตนี่เราฟังอนุปูปีกษาย่อจบไปแล้วนะสัจจายังไม่ปรากฏเลยนะเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ขยาย อนุบุพีคาถานี่นะนี่ค่นี่เอาเรื่องราวมากล่าวก่อนนี่นะนี้แลเป็นธรรมที่น่าอัจจันที่ไม่เคยมามีมาในข้อที่8ของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการของกระผมที่มีอยู่กระผมไม่รู้ว่าพระปรมศาสตรสดอาพยากรผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมา8ประการนี้เป็นเชไหนลำดับนั้นภิกษุรับบิณฑบาตในนิเวศของอุคขะคราบดี เมืองเวสาลีแล้วลุกจากที่นั่งแล้วก็หลีกไปภายหลังพัดกลับจากบินดาบัดแล้วก็ไปเฝ้าพระบรมศ า, าสดาถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วในกราบทูลคําสนทนากับอุคคัศนดีชาวเมืองเวสาลีทั้งหมดแด่พระบรมศาสดาพระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกแล้วถูกแล้วอุคคัศนวดีชาวเมืองเวสาลี เมื่อจะพยากรพึงพยากรตามในนั้นโดยชอบรับรองทันทีเลยว่าว่าธรรมะที่อุคข้ามวุติกล่าวนั้นนะถูกต้องและถูกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราพยากรอุคคะข้ามวุตว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นที่น่าศจรัร์ไม่เคยมีมาแปประการและเธอทั้งหลายจงทรงจําอุคคะข้ามดีชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมอันน่าศจัญแ์8ประการไม่เคยมีมาให้พระจําเลยให้จําคุณธรรม ให้จำพระธรรมที่อยู่ในกระแสชีวิตของอุคคะขลารวดีถามว่าเมื่อจำพระธรรมเข้าใจพระธรรมในกระแสชีวิตของอุคคะขลารวดีเบ็ยดเสร็จอย่างนั้นแล้วถามว่าจำรัตนไตรไหมจำธรรมรัตนะเป็นรัตนะทิปราณีถามว่าพระธรรมรัตนะอันปราณีที่เป็นธรรมมรดกที่เกิดในกระแสชีวิตของอุคคะขลารวดีนั้นอ่ะมรดกเหล่านั้นอุคคะขลารวดีรับไปจากใคร รับจากพระพุทธเจ้าฉะนั้นอุกคระข่าวมาดีจึงเป็นหนึ่งในสังฆะเห็นไหมเป็นหนึ่งในพระรัตนตรยัยเราท่านทัน้งหลายตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่สามารถพัฒนาตนเองจากปุถุชนเป็นสังฆะได้เป็นหนึ่งในรัตนะได้เราต้องตั้งอัทยาสัยไว้บ่สักวันหนึ่งเราจะเป็นหนึ่งในสังฆ ร, ตรัตนะ นะอันป็นถึงเป็นรนัตนานประนีประัตนาอันสูงสุดนั้นถึงแม้ท่านเป็นหนึ่งในสังฆรัตนะแต่ท่านก็ไม่ยกตนโชูงวงเลยเห็นไหมและตอนที่พระบรมศาสศดาประกาศคุณธรรม8ประการให้กับภิกษุฟังนะ่ยท่านยังกระสิบถามพระได้วยซ้ำไปว่าข้าแต่ข้าท่านผู้เจริญตอนที่พระศาสดาประกาศยกย่องผมนะั้นมีอุบาสกบาศิกาอยู่ด้วยไหมบอกมีไม่มีเลยบอกดีแล้วเพราะงั้นนะข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้คนอื่นรู้ แปลว่าอะไรท่านไม่ต้องการอวดอ้างคุณธรรมซึ่งผิดกับเราท่านทั้งหลายบางท่านยังไม่ค่อยมีอะไรแต่อยากจะอวดใช่ไแต่นี้ท่านไม่อวดเลยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยบอกว่า ไ, ไปตำหนิคนอื่นเนี่ยการไปตำหนิคนอื่นเนี่ยแปลว่าอวดตันเองนะเป็นการอวดตัวเองเรียบร้อยไปแล้วนะการตำหนิคนอื่นเนี่ยเช่นคนคนนี้ไม่มีศรัทธาคนคนนี้เป็นคนตนหนีคนคนนี้เป็นคนขี้โกรธ คนคนนี้เป็นคนชอบพูดปาถนารามกอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยก็แสดงว่าไปพูดว่าเขาอย่างนั้นก็เป็นการจักยกตนว่าเป็นคนไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นใช่เออไม่มีบาปประธรรมเหล่านั้นตรงนี้ในชั้นคำสอนท่านบอกว่าได้ยินว่าในเรือนของอุก ค, ค่าข้าวบดีเนี่ยเขาตกแต่งเสยนาสะนะ500อที่ไว้สำหรับภิกษุ500รูปเป็นประจำทุกวันใครเคย เออสมัยก่อนเวลาพระท่านจะไปบินฑบาตเนี่ยเนะให้สังเกตนะถ้าพระไปบินธบาติเสร็จเนี่ยบ้านใดที่เขาเป็นอุบาสกบาสิกาของพระผู้มีพระญาติเนี่ยนะเขาจะแต่งตั้งอาสนะไว้หมดเลยในบ้านอันนี้เขาต้อนรับพระวันละห้าร้อยลูกเราเป็นอุบาสกบาสิกาเนี่ยปูอาสนะต้อนรับพระไว้ทุกวันไหมพร้อมจะให้พระไปได้ทุกวันไหมพร้อมไม่พร้อมทําให้พร้อมหน่อยได้ไหมสักวันละลูกก็ยังดีใช่ไหมตั้งไว้เลยนิมนพระมาเห้อ ขอให้มาท่านว่างเวันมาใช่ไหมเขียนป้ายติดไว้เลยนิมนต์ท่านมาเราจะถวายอาหารนั้นประนีเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่บาตหน้าบ้านเขาจะแต่งตั้งอาสนะไว้เวลาพระมาเบ็ดเสร็จพระก็มานั่งบางทีพ่อบ้านก็สนทนาแม่บ้านก็ไปทำกับข้าวอยู่เนี่ยนะหรือลูกทั้งหลายก็ไปทําเบ็ดเสร็จพระก็ท่านจนั่งแล้วก็แสดงธรรมกล่าวสนทนาพระธรมเบ็ดเสร็จท่านก็อังคาถพระ ถือบาดไปเลยก็ตักอาหารใส่บาดไปเสร็จกลับมาประเคนเขาทําแบบนี้ยังไงพระที่ออกบินาบาดบางทีกว่าจะกลับบางทีก็เกือบจะเที่ยงเลยก็ <c oughs> เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างทุกวันนี้เดินผ่านหน้าบ้านใส่พวกก็รีบไปธุระนี่ไม่ใช่อย่างนี้เลยสังคมแต่ก่อนไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ก็ อ, อย่างนี้อาสนะจัดแต่งไว้หมดเบ็ดเสร็จเลยมีคนงานดูแลเบ็ดเสร็จห้าร้อยที่ พระจะไปจะมาแรงต่างก็จัดถวายมาพร้อมกันห้าร้อยก็รับได้มาทีละสิบยี่สิบก็รับเป็นประจําอย่างเงี้ยกิจกรรมอย่างนี้ก็คือว่ามีการถวายอาหารบิณนาบาตเป็นปกติพระท่านก็จะสังกิจไปอย่างเงี้ยไปบินนาบาัดก็ไปบางทีท่านข้อ น, นี้หมดไว้ท่านก็จะไปกันไปกันประจําอย่างเงี้น่ามีความสุขไหมอย่างเงี้ยนี่สังคมพุทธเป็นอย่างนี้สังคมคือต้อนรับพระสงค์เปิดประตูรับพระสงค์ ตรงนี้ก็คือว่าอาสนะหนึ่ง น, น, นะทรงท่านจงฟังธรรมเหล่านั้นหรือว่าจงฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์8ประการนั้นน่ยทีนี้แม้เพียงความตรึกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่หน้อ ด, ดังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเกิจิตุบาทว่าเป็นพุทธเจ้าเป็นอาการผ่องใสไม่ขุนหมัวก็หมายความบอกว่าพอท่านอุกคระขรรดีเห็นพระาศาสดาครั้งแรกแต่ไกลนะ ไม่เคยรอช้าในใจว่าท่านผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เป็นทันทีว่าพระพุทธเจ้าอเป็นอย่างนี้อันนี้แปลว่าอัธยาสัยที่สั่งสมแนบแน่นไหมแนบแน่นมากๆไม่เคยคิดลังเลเลยว่าเป็นใครทั้งๆั้ ท, ที่ไม่เคยเห็นเมื่อพุทธเา้ามาก่อนนี่นะเป็นการได้เห็นครั้งแรกด้วย แต่พอเห็นปุ๊บนี่ประทับตราตรึงใจทันทีเลยเพราะอะไรรูไ้ไ้มเพราะเขาเจริญพุทธคุณมาหลายกับแล้วเขารักพระพุทธเจ้ามาตั้งนานแล้วฉะนั้นจากพุทธคุณแล้วเขาเข้าใจมาหาปุริสระขณะทำไมเราต้องรู้ลักษณะของพระพุทธเจ้าใช่ไ้ย พระเจ้านั้นมีพระเนตรอย่างนี้มีพระนาศิกอย่างนี้มีพระขนงอย่างนี้มีพระเมารีอย่างนี้มีพระโอทอย่างนี้มีพระพาหาอย่างนี้มีลำพระออย่างนี้มีพระชงแบบนี้เป็นต้นเหล่านี้ทำไมต้องศึกษาลักษณะของพระบรมศาสดา32ประการและอนุพยัญชนะ80เพื่อจะได้ประทับตราตรึงใจเขาว่าว่านี่เป็น เกิดขึ้นมาจากกุศลกรรมที่แนบแน่นที่หนานแน่นที่พระบรมศาสดาสั่งสมอบรมมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏประดับต ก, ต, ตกแต่งสรีระของท่านเนี่ยทุกจุดทุกอนูของร่างกายเพื่อเป็นปัจจัยแก่สัตว์ทั้งหลายได้บ่มเพราะอินทรีย์คือสัตว์ทินทรีย์ทั้งหลายฉะนั้นพระศาสดานั้นแต่งสรีระของท่านด้วยกุศลกรรมอันงามด้วยประณีดนั้นไม่ใช่เป้าหมายเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเกิดความลุ่มหลง ม, มัวเมานะ แต่ใหสัตว์ทั้งหลายได้เห็นพระวรากายของพระรูปของพระศ า, าสดาแล้วเกิดศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแล้วจะได้เดินพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณจะได้เป็นปใจใัจจัยแกความพ้นจากวัฏทุกข์ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เคยทํากรรมมาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาเนี่ยนะก็ประทับตาตรึงใจในพระพุทธคุณของพระศาสดาอย่างแนบแน่นแล้วไม่ทันได้บรรลุในศาสนาของพระชินเจ้าในองค์ก่อนๆที่ผ่านมา แต่มาในยุคปัจจุบันนี้ท่านเห็นพระศาสด า, ษ า, ษาท่านจึงไม่เครือบแคลนไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ใช้เวลาตรึกเลยเห็นปุ๊บใช่เลยนี้พระพุทธเจ้าเราจะทําอย่างนั้นได้ไหมในกระแสใ จ, จของเราท่านทั้งหลายว่าเมื่อเราเห็นท่านผูน้นี้แล้วก็ทันทีเลยว่าพุทธเจ้าเมื่อฟังทำอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็ไม่ลังเลสงสัยในพระธรรมของท่านเลยเห็นสั ญ, ญลักษณ์ของท่านคือธ ง, งนี่นะธงชัยของพระอรหันต์พาดในกายของท่านผู้ใด ก็ไม่สงสัยเลยว่าท่านคนนี้เป็นสังฆะน้อมถึงพระรยาสงฆ์ได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยเราจะทำวิจิกิจฉาของเราให้ทาถูกทำลายไปด้วยด้วยศรัท ธ, ธาที่แข็งแกร่งได้ไหมถ้าทำได้ท่านได้ดิบได้ดีแน่นอนนะในสังสารวัตข้างหน้านี่หรือในภพปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ดีแน่นอนตรงนี้ก็คือว่า ความเกิดขึ้นว่าเราจกให้เท่านี้จกให้จกไม่ให้เท่านี้จกให้สิ่งนี้จกไม่ให้สิ่งนี้ดังนี้ไม่มีนะแม้แต่ทางด้านของทานนกุศลอุคคะขร า, า, าบดีเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกท่านจิตใจงั่นจะผ่องใสามากท่านจงถือเอาทรัพไปให้เป็นไปสําหรับตนและเป็นเรือนเนี่ยแกพวกญาติเป็นต้นเหล่าเนี้ยแล้วท่านไมบอกว่าเออเราจะให้เท่านั้นเท่านี้ ใจน้อมสละหมดพ่านาคาสละหมดไหมคนเป็นบ้านนาคานี่ท่านไม่ติดข้องในวัตถุกรรมแล้วพ่านาคาเนี่ยถ้าฆรวาสที่เป็นบ้านนาคาเนี่ยท่านจะไม่ยินดีในเงินและทองท่านจะไม่จําเงินทองนะก็พระเราดีดีนี่แหละโดยเพศฆรวาสเดินแล้วว่าก็ด้นะไม่ยินดีนเห็นไหมว่าพอหลังจากที่ท่านได้ฟังทำและได้บรรลุเบิกเสร็จท่านกลับมาที่ท่านมีประชาบดีสี่คน ท่านก็บริจาคท่านก็ถามบอกว่าถ้าปรารถนาไปอยู่ตระกูลของสามีเออตระกูลของพ่อก็ให้กลับไปหรืออยากจะอยู่กับชายใดก็บอกมาก็มีประชาพูดีท่านนึงบอกว่าเออในปราถนาชายพนเนี้ยท่านก็ให้คนไปตามชายคนนั้นมาเลยพอตามมาเบียเศท่านก็เทน้ําเต้าที่ว่าจับมือข้างหนึ่งก็จับหญิงบริจาคให้เลยอ่ะบริจาคพรายย้ายเป็นทานเลยเงี้ยนี่ยิ่งใหญ่เลยไม่เป็นมหาทานเลยเนี่ย นี่เป็นอย่างนี้เทวดาเข้าไปหาแล้วก็บอกบอกว่าไม่น่าสะใจนนแต่ข้อที่ข้าพระเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจในข้อนี้นะอันที่การที่เทวดาเข้าไปหาเป็นเหตุว่าเป็นน่าสะใจนเนี่ยภิกษุก็สาธุสาธุาธนะสาธุกับท่านตรงนี้อีกในชั้นคําสอนหนึ่งก็คือว่าทำแปดประการที่ท่านมีอยู่เนี่ยบอกว่า เวลาช้าพิกษูก็นุ่งห่มแล้วก็ถือบาดเข้าไปนิเวศของอุคฆกรรมวีชาวบ้านทัติคามแล้วก็จึงนั่งนั่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยฆกรรมวีเหล่านั้นก็เข้ามาหาพระพระก็บอกว่าก็บอกถึงคุณธรรมแปดประการที่พระศ า, าสดายกย่องท่านก็บอกว่าท่านไม่ทราบมาก่อนเป็ต้นเหล่าเนี้ยในส่วนจริงๆท่านก็เล่าเรื่องของท่านนีในสูตรหนึ่งสูตรสองเป็นไปในลักษณะเดียวกันตรงนี้มาสรุปประเด็นก็คือว่า พระบรมศาสดาสอนทานกถาศีลกถาสาาาักขกถากามาทีนวกถาเนคขมา น, นิสังสักกถาแล้วก็คําเ น, นิคขมา น, นิสังสักกถาแสดงอณนนิสงการออกจากกามแล้วก็สรุปลงในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการคือทุกสมุทัยนีโรลดมากพอแสดงธรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะจิตของอุคกาขาวดีก็หมดจากอาสวะเออไม่ใช่ก็หมายถึงหมดจากความลังเลสงสัยทั้งหลาย ได้เป็นพระโสะดาบันจากพระโสะดาบันเป็นพระสะกท า, าคาจากพระสะกท า, าคาเป็นพระนายคาสรุปก็คือท่านไข้ควรอยู่นานไม่ใช่ไม่นานแต่ว่าธรรมนี้ท่านแสดงโดยย่ อ, อเขาไว้โดยอุเทตก็ไว้นะที่จริงก็คือวันนี้ในเช้าเนี้ยจริงๆเมื่อกี้บอกว่าให้สรุปหรือให้กล่าวอนุบุพีคถาในชั้นของอนุบุพีคถาเนี่ยนะลำดับแรกจริงๆนั้นท่านกล่าวในเรื่องของทาน ใ น, ในทานนักทานนัทานกถากถาที่พูดถึงเรื่องของทานกุศลเอามาพูดในเรื่องของทานกุศลไว้ไว้หลายครั้งทีนี้ขอสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือว่าในชั้นของทานนกุศลเนี่ยยังยกตัวอย่างเช่นปุพหะเจตนาถามว่าปุพหะเจตนาเนี่ยเจตนาที่ก่อนก่อนให้เนี่ย ถามว่าก่อนจักให้เนี่ยใครทําปุพพะเจตนาเนี่ยก่อนให้กี่วันถึงจะคำาปุพพะเจตนาเนี่ยถ้าก่อนให้หนึ่งเดือนหนึ่งปีเนี่ยเป็นปุพพะเจตนาไ ด, ได้ไหมได้ไม่ได้แล้วโดยข้อเท็จจริงเคยทําเคยมีคนทําได้ไหมทําปุพพะเจตนาได้เป็นปีๆท่านกล่าวอย่างนี้ว่าปุพพะเจตนานี่นยนะที่จะเป็นไปกับกุศลเนี่ยก็หมายความว่าหนึ่ง มีวัตถุทานใช่ไหมแต่วัตถุทานนั้นกําลังงอกขึ้นมากําลังหวานหรือกําลังยังไม่ได้หวานนี่คือข้าวกล้าเป็นต้นฉะนั้นการที่เขาจะหวานข้าวกล้าไปเสร็จทั้งหลายเหล่านี้ก็คิดว่าเขาจะให้นะนั่นแหละเขาทําปุพพะเจตนาะเขาจะให้พอเขาบอกก็เริ่มจะให้เสร็จก็เริ่มหวานข้าวกล้าลงในนาแล้วเขาในขณะที่เขาดูแลไปประครบประงมเอาน้ําใส่มีปุ๋ยดูแล กำจัดวัชพืชในทางที่ชอบไม่ใช่ไปทำบาปในการฉีดยาก็มาเลยไม่ใช่งั้นนะเขาก็ทำเบ็ดเสร็จป้องกันดูแลคอยปัดคอยกวาดคอยดูคอ ย, คอ ย, คอยเอาน้ำเข้าก็สังเกตตลอดเข้าก้าก็ขึ้นมาตามลำดับเป็นปุบผ้าเจตนาตรงนั้นน่ะทำท่านท า, นท า, นทานจิตที่เป็นใจดีทั้งหลายเนะี่ยก่อนให้ก็ใจใจก็สุขใจก่อนให้ก็ดีใจ ทำไมก่อนให้ก็ดีใจเพราะคิดถึงวัตถุทานแล้วความโลภมันไม่เกิดแล้วคิดถึงปฏิคาหกคือผู้รับแล้วความโกรธก็ไม่เกิดแล้วก็เห็นกรรมที่ตนเองกําลังประกอบอยู่ว่าเป็นปุพหะเจตนาว่าจะให้ข้าวนะให้ข้าวเป็นต้นให้อาหารเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็มาวิจัยนะข้าวนี้ประกอบไปด้วยสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็สภาพของธรรมารม์คือกลุ่มวิตามินทั้งหลายเป็นต้น ที่จะไปเยียวยารักษาอาัถภาพของภิกษุสงฆ์เป็นต้นเหล่าเนี้ยนะซึ่งเป็นหนึ่งในสังฆรัตนะนี่นะที่จะทําให้สุขภาพแข็งแรงเราจะบูชาคุณของพระรัตนตรยัยมีพุทธเจ้าเป็นประมุกแล้วเนี่ยเนี่ยปุพภะเจตนานเกิดขึ้นอย่างยาวไกลไหมแบบเนี้เกิดยังยาวนานอะ่ะรอวันรอคืนที่ข้าวก้ากําลังโตแต่ละวันแต่ละวันแทบจะเอาไม้บรรทัดไปวัดเลยทั้าไปอุ้ยวันนี้ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งเซนแล้วสองเซนแล้ว ทานกุศลของเราเตรียมจะได้เวลาแล้วจนจะใกล้เป็นมุ ญ, ญ่าเจตนาแล้วปุพะเจตนาก็ยิ่งตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยวัดทุกวันคํานวณทุกวันใถ่ครวรตลอดแล้วคนทําธุรกิจอย่างอื่นเขาก็คิดแบบนี้เออเราไปหาเงินมาใช่ไหมทรัพย์ทั้งหลายที่เราทําทั้งหลายบริษัทที่ลงทุนไปการงานที่ทําไปการสอนหนังสือถ้าใครมีอาชีพสอนก็สอนนี่ วิ่งรถตลอนตลอนตลอนนั่งรถหรือการขายของก็เหมือนกันที่เราไปนั่งหลังขดหลังแข็งต่างๆแล้วก็ทำปุพหะเจตนาได้ทราบมาเราจะไปบูชาคุณของพระรัตนตรัยเป็นปุพหะเจตนาไหมแบบเนี้นี่เขาทำแบบนี้ปุพหะเจตนาที่เป็นไปกับว่าเห็นวัตถุทานที่จะได้มานั้นก็ไม่โลภไม่ติดข้องเราจะให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวจะให้ด้วยความนอบน้อม จะให้ถูกการเวลาเพื่อมือได้ผลกําไรออกมาเมื่อไหร่ก็จะให้เนี่ยนะถูกการถูกเวลาจะให้อย่างสลัขาดไม่ยึดติดจะให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นก่อนให้ก็ดีใจกําลังให้ก็จะเลื่อมใสให้แล้วก็จะปลื้มใจเนี่ยจะทําสรรพุริสถานให้เกิดขึ้นในใจอย่างต่อนเนื่องเขาจะเดินแบบนี้นี่การปฏิบัติเดินไหมแบบเนี้ยคารวาะเขาให้เดินจิตแบบนี้และในข้อเท็จจริงเราเดินแบบนี้ไหมเดินไม่เดิน ปุพราเจตนาเราแข็งแรงแบบนี้จริงหรือไม่ถ้าแข็งแรงอย่างนี้นี่ใช่ในการเดินกุศลก็เดินกันอย่างนี้แหละเขาก็กระตุ้นเตือนชักนำสมยุติธรรมที่เกิดพร้อมกันกันกบตนให้น้อมเข้าหาศรัทธาวุรยัสติสมาธิปัญญาโอหตัวเนี้ยปริมาณกุศลก็เกิดอย่างต่อเนื่องทั้งทั้ง ท, ง ท, งที่กิจกรรมการให้ยังไม่ถึงเลย แต่ปุพะเจตนาเนี่ยเป็นบุญมหาศาลตายในขณะนั้นก็มีสุขติเป็นไปก็ทานสําเร็จแล้วในชัตนงปุพะเจตนาทุกวันเข้าใจทานนี่อย่างทีเนี้ยทานประกอบไปด้วยเจตนาและตัววัตถุตอนนี้วัตถุกําลังค่อยๆงอกขึ้นมาค่อยๆเจริญขึ้นมาการงานการประกอบอาชีพการงานกําลังทําอยู่นี่บางคนเดือนนึงกว่าจะได้ทรัพยลองคิดดูที่ได้ทรัพมาเราจะให้เราจะสละเราจะบริจาคลองคิดดูที่ปริมาณของทานอาเจตนาจะแข็งแรงไหม โอ้โหขังแรงมากใหญ่โตมากใช่ไหมไม่ใช่บาปใหญ่โตเหมือนดินพ่อขางหมูอะ่รเงี้ย น, นี่ปริมาณกุศลเนี่ยเกิดขึ้นแข็งแรงมากก็ทรัพที่ได้มาทั้งหมดเราจะให้เราจะเจริญทานกุศลเราจะบูชาคุณของพระรัตนตรยัยคือพุทธรัตนธรรมรัตนและสังฆรัตนนี่ทานกุศลเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนี่เนี่ยถ้ามองภาพนี้เนี่ยมอยเห็นพอดีเลยเนี่ยมา เนี่ยไปกับท่านมหาอนาจเนี่ยเนี่ยภาพบนเนี้เนี่ยจีวรที่ไปปูไว้เป็นจีวรของอามาเนี่ยนะดอกไม้อะไรทั้งหลายเนี่ยไปทําแต่มีของคนอื่นมาทําด้วยอามาก็ไปแจมมองแต่จริงๆก็คือว่าเห็นไหมย่ามถ้าจําไม่ผิดในะย่ามนั้นนะท่านมหาอนาจเนี่ยท่านสอบปเปลี่ยนธรรมเก้าประโยคได้แล้วท่านก็เนี่ยจีวรชุดเนี้มั้งถ้าจําไม่ผิดนะท่านรับจาก รับจากไอ้เจ้าฟ้าชายเนี่ยนะนรับจากฟ้าชายเนี่ยรับเบ็ดเสร็จแล้วก็ท่านรับรเรียนดำก้าวระโยคแล้วท่านก็สละถวายเป็นพุทธบูชาอย่ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต่ออันนี้เป็นของทุกคนแล้วแต่ใครจะคิดเป็นไม่เป็นเนี่ยก็น้อมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสละถวายเป็นพุทธบูชา อันนี้ที่พักันนากกดีของพระเจ้าที่เชตวันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเห็นไหมให้เสร็จแล้วก็ปลืมปล้มใจปลื้มใจนี่นี่คือการปฏิบัตินะข้อปฏิบัติในทานนากุศลในทานนากุศลแต่สังคมชาวพุทธคิดว่าการให้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเข้าใจอย่างไปเข้าใจอย่างนั้นไปหมดแล้ว แค่ที่จริงนั่นคือทานกุศลเกิดแล้วแล้วทุกคนนี่นะน้อมถวายได้ตลอดเพราะตอนนี้สีปรากฏ ใ, ในจกักรวิญญาณของท่านแล้วและเสียงก็ปรากฏในโสตวิญญาณประชุมลงสู่ชาวนาแล้วจิตใจก็สามารถประมวลความรู้สึกเหล่านี้กัน้นอมถวายเป็นพุทธบูชาถามว่ากุศลและศรัทธาที่เกิดขึ้นวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นทาใจให้ปลื้มใจได้ไหมถ้าได้นะั่นแหละกุศลเกิด <c oughs> เป็นอย่างนี้โคนฉลาดในการเจริญกุศลเนี่ยจับวัตถุชิ้นใดน้อมถวายเป็นพุทธบูธชาได้จริงอยู่มั้ยเพราะกุศลเกิดได้จริง <c oughs> ฉะนั้นก่อนให้เนี่ยท่านดีใจนะั้นปุเพว่ากรณีว่าธานาสุมโนธานาสุมโนเนี่ย <c oughs> ก่อนให้ก็ดีใจ <c oughs> ดีใจในที่นั้นไม่ใช่บัดดีใจแบบโลภะดีใจที่เห็นว่าโลภะลดลงดีใจที่เห็นว่าโทสะนะถูกทำลายลงดีใจที่เป็นไปกัยาณนะปัญญาเห็นกุศลกรรมที่เกิดขึ้นและเห็นผลของกุศลกรรมที่จัดได้อย่าลืมนะผลของทานในกุศลนี่คือความสมบูรณ์แห่งภพชาติและสิ้นจากภพชาติเป็นอาการปรากฏนะเห็นไหมล่ะ แล้วเราเนี่ยเคยให้ทานกันมาเยอะมากมา ก, มากใช่ไหหลายท่านเนี่ยให้ทานกับทิ้งขยะเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนอ น, นะทิ้งขยะเนี่ยจิตที่คิดจะทิ้งในรังเกียจใช่ไหมแต่ทานเนี่ยไม่ใช่ของรังเกียจเลยของรักของบูชาเราดีๆเนี่ยที่เราสละให้แต่บางคนเนี่ยที่บอกว่า มันมีในคำสอนเนี่ยขยายตรงนี้หน่อยถ้าจะเห็นว่าฉันททานการให้ทานด้วยความพอใจรละไข่อันนี้ไม่ดีเป็นไประโลภฉันท่าที่เป็นไประโลภเนี่ยให้ให้แล้วก็เกิดความโลภความยึดติดให้โดยการสั่งสมทั้งหลา ย, ยโทสาทานการทำกุศลด้วยความไม่พอใจทำไปก็ น, น่านี้คิวขโมดไว้วนไนเนี่ยนะ น้าย่นไปเงี้ยนะะทำไปเคยทำไหมเคยให้ทานแบบนี้ไว้ละมาเคยเจอเนี่ยเคยเจอยอมให้ทานแล้วโทสะเกิดในขณะามาไปเดินบินตาบาดเนี่ยยอมก็กำลังใส่ตอนนั้นสุนาขมันก็วิ่งมากินแกโมโหกโกรธโกรธ หันมาเตะเตหมาเตหมาไปได้ใส่บาดไปโดาเจริมคานไงนไอเราก็ไม่อยากบอกไงอย่างงี้ก็เรียกโทสะทานเคยเป็นไหมล่ะไม่เคยเนี่ยโกรธลูกไปก็อะไรกี้อย่า ง, <S <S าง ใ, ใครที่บอกว่าพระมาบิณฑบาตแต่เช้าแล้วก็แล้วก็ ยายก็บอกให้ตาบอกว่าไปให้ไปใส่บาทตาก็บอกกับยายก็ไปอะไรเงี้ยเถียงกันไปเถียงกันมาตาก็ยายก็เริ่มตาเขียวใส่ตาเนาพอเตียผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ก็ต้อ ง, ย, ง, ย, ง, ย, งยอมอยู่แล้วยอยู่ในบ้านในส่วนใหญ่ในบ้านก็ยอมก็บอกว่านี่จะไปหรือไม่ไปเพราะงั้นออกไปให้คนวกันไปพอถือถือขันข้าวเดินลงไปเดินไปก็บนไป บุกลมการเรเลย น, เนี่พระก็มาตั้งแต่เช้าเรียบร้อยเลยทีนี้พระไม่รู้เรื่องเลยทะเลาะกันเองเล่นพระซะแล้วเนี่โทรสะทานโมหาทานก็คือทําบุญที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเลยพยาทานก็คือให้ทานด้วยความกลัวกลัวเขาจะนินทาพระก็ยืนหน้าบ้านทุกวันไม่ใส่ก็หน้าเกลียดแต่ข้างบ้านจะดาวอาเงี้ยนะอีกคนนึ่งก็กลัวใบายาูมก็ให้อย่างเงี้ย กัวก็ไม่ค่อยได้มีผลกุลละวังสะทานก็คือให้ทานตามวงศตระกูลพ่อแม่เคยให้ก็ให้มาสักคัตสะทานก็คือให้ทานเพื่อการไปเกิดในเทวโลก<า>ไอ้กรณีอย่างนี้มีกิเลสเกียวปนหมด น, นะแล้วก็สมณสะทานการให้ทานเพื่อความดีใจเท่านั้นแหละให้ทานเออดีใจจ้างได้ให้ได้ให้ได้ให้ก็มามานเพิ่มใจเลยทั้งหนึ่งถึงเจ็เนี่ยเป็นการให้ทานที่ยังเกลือนกลัวกับบาปอกุศลอยู่ แต่ข้อที่แปดจิตตะรังกาลาทานในการให้ทานที่เป็นไปได้วยความตกแต่งจิตตกแต่งเพื่อจะให้จิตนั้นเป็นไปกับสมถะและก็เป็นปัจจัยกับการเจริญวิปัสนาอย่างเงี้ยเพื่อออกจากสังสารวัฏอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอุ้มิณฑะักษการนี้พระบาลีนะที่ท่านแสดงเอาไว้นี่ก็ในรายละเอียดและในรายละเอียดก็จะกล่าวไว้อีกทีตรงนี้ก็คือว่า เรื่องทานกุศลเนี่ยต้องมีความต้องข้อมูลทังที่กล่าวว่าปุพพาเจตนาหัดปรุงแต่งจิตให้เป็นเสียหัดปรุงแต่งจิตงั้นส า, าสามารถจะปรุงแต่งเป็นปีก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผลกําไรที่ได้จากการค้าขายทั้งหลายจากการทํามาหากินทั้งหลายนี่นะหนึ่งปีได้ผลกําไรมาส่วนใดส่วนหนึ่งเบเสนะ็จั้นเราจะให้สรุปก็คือจะให้ทั้งหมดนะ่ะถ้าใครคิดได้นีว่าผลกําไรที่ได้มาทั้งหมดจากปีหนึ่งจากเดือนหนึ่งจากอะไรต่เราจะให้ทั้งหมดเลย ให้ได้ทั้งหลายคนให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานให้ญาติมิตรสรุปก็คือให้พระรัตนไตรก่อนนอกนจากก็ให้ทั้งหมดแหละเพราะจริงๆชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยกินเยอะไหมนิดเดียวแค่ฉะนั้นเราน้อมให้เป็นทานทั้งหมดแล้วจะดีไหมแหมมีบริษัทก็ยกบริษัทถวายเป็นพุทธบูชาเสียยิ่งน่าชื่นใจเลยใช่ไหมแล้วเราก็ลองคิดดูดีเราเห็นเต็ ชิ้นส่วนของบริษัทแต่ละชิ้นเห็นชิ้นส่วนของรถแต่ละชิ้นเนี่ยเอา้านี่ของพระเจ้าน่าชื่นใจไหมแบบเนี้ยชื่นใจกิเลสก็ไม่เกิดไม่งดหยิดเลยใช่ไหมน้อมสละแต่คนบอกโอ้ย ถ, ถวายคนของพระเจ้าแล้วเราจะทํำยังไงเออพระเจ้าเป็นดินกล้าถวายเป็นดินเป็นพุทธบูชาได้แต่เรามีแค่เล็กนิดเดียวไม่กล้านี่เป็นเรื่องหน่าคิดมากใช่ไหมท่านถวายเป็นพุทธบูชาถวายได้ แผ่นดินที่เราเหยียบทุกอนูของปร ะ, ประเทศใช่ไหมท่านกล้าถวายได้แต่เราอุย้ยไม่เอาอะไม่กล้าใจไม่กล้าก็ทำซะที่พอจะเข้าใจไหมอย่างเงี้ยหรือมองอยา ก, กป่าไม่ยากเลยเนี่ยแล้วทําป่ะไม่เห็นต้องใช้ความพยายามเลยอยิ่งกว่ากรีบทําได้แล้วนตรงนี้ก็ โดยสรุปประเด็นดังนี้ก็คือทานทานนั้นการจเจริญทานนกุศลการสละก่อนให้ขณะให้ขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจที่เป็นใบกัญญาปัญญาเป้าหมายก็คือว่าวัตถุทานทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่ตั้งของความโลภความยึดติดใช่ไหมปฏิกาหกทั้งหลายผู้กเกี่ยวข้องทั้งหลายที่จะมารับทานนกุศลนั้นเป็นที่ตั้งของปฏิฆะเป็นที่ตั้งของปฏิฆะฉะนั้น เปาหมายของทานในกุศลทั้งหลายทําลายราคะการยึดติดในวัตถุทานทําลายโทสะในผู้รับทั้งหลายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทําอมโมหะคือปัญญาทั้งหลายเห็นกรรมและผลของกรรมว่าตอนนี้เรากําลังประกอบกุศลกรรมจะได้รับผลอย่างไรนั้นจิตของบุคคลที่มีการสละมีการให้อย่างตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นปัจจัยการพัฒนาเข้าสู่ศีลกุศลศีลกุศลก็คือการให้เป็นมหาทานที่พัฒนาสูงขึ้น ฉะนั้นเมื่อโลภะนี่นะถูกทำลายโทสะถูกทำลายโมหะถูกทำลายด้วยการสละวัตถุภายนอกได้อย่างชัดเจนแล้วแม้นวัตถุภายในเราก็มอบกายถวายชีวิตเดบเพสาสดากันเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเราถวายเป็นพุทธบูชาเกลี้ยงอยู่แล้วโดยโดยโดยโดยแท้จริงทีนี้เราก็เริ่มเจริญทานมหาทานโดยการให้ชีวิตให้ชีวิตของบุคคลอื่นเป็นทานเราจะไม่ฆ่าเราจะไม่เบียดเบียนเราจะไม่โกรธ ต่อท่านผู้นี้และกับบุคคลทั้งหลายที่มีชีวิตใน่น้อมในรักสังนี้ย์เขาเรียกให้ชีวิตเป็นทานถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินใครมีทรัพย์สินก็จง ม, มีความสุขอยู่กับทรัพย์สินจงเจริญมีความสุขและอุโบสอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์นั้นเถิดทรัพย์ทั้งหลายของท่านทั้งหลายอย่าได้มีอันวิบัติไปเลยเป็นต้นแล้วก็ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาของบุคคลอื่นไม่ทําให้เขาแตกแยกจากกัน ให้ความปลอดภัยโดยการให้คําสัตว์คําจริงให้คำให้ให้ความสมัครสมานสามัคคีจากคาพูดให้คำไพเราะอ่อนหวานให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เป็นอัธยาให้เป็นความรู้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ให้ความไม่ประมาทไม่มัวเมาทั้งหลายกุศลศีลทั้ง5ก็จะเดินในกระแสใจได้อันนี้ก็ก้าวเข้าสู่ศีลและกุศลซึ่งเป็นมหาทานแต่ละข้อแต่ละข้อน้อมไปให้สัตว์ทั้งหลายจนหาประมาณมิได้การให้ของใช่ไหม ให้โดยไม่มีประมาณผลก็จะได้รับโดยไม่ประมาณเหมือนกันนะให้อายุจะมีส่วนแห่งการได้อายุให้ความไม่ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินบุญกุศลในความปลอดภัยในทรัพย์สมบัติเราก็จะได้ให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาทั้งหลายเราก็จะไม่แตกแยกจากบุตรจากภรรยาเป็นต้นให้ความให้คําสัตย์คําจริงทั้งหลายก็จะเป็นที่เชื่อถือของบุคคลอย่างมากมายให้คําไม่แตกแยกเราก็จะได้สมัครพระพวกที่ไม่แตกแยก ให้คำไพเราะอ่อนหวานเราก็จะได้รับบริษัทบริวารที่พูดจาอ่อนหวานให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ที่เป็นสาระเราก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้สิ่งที่เป็นสาระไม่ได้สิ่งที่เพื่อเจอ้อฟุ้งซ่านทั้งหลายให้ความไม่ประมาทมัวเมาในสติสัมปชัญญะแล้วก็จะได้เป็นคู่มีสติบัญญาที่บริบูรณ์ทั้งหลายเห็นไหมการให้อย่างนี้เป็นมหาทานก็จะพัฒนาเป็นไปตามลำดับผลก็จะทําให้ได้มนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์สมบัติอย่าง บแต่ว่ามนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงใช่ไหมซึ่งเราก็เห็นกันอยู่แผ่นดินไหวนิดเดียวกับพังทลายกันบุ่มบมบมบ ม, ม, มหมดแล้วเนี่ยฉะนั้นทราบที่เกิดจากกุศลบุญที่เกิดจากกุศลไม่ถาวรเลยสมบัติภายนอกก็ไม่ถาวรสมบัติภายในดินภายนอกอันดินถล่มเนี่ยไม่ถาวรดินน้ําไปลมภายนอกก็ไม่ถาวรแล้วที่สมมุติเป็นรถเนี่ย เป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นนาเป็นไร่เป็นสวนเป็นท ร, รัพย์เป็นบริษัทห้างร้านต่างๆอย่างนี้ไม่ถาวรเลยแผ่นดินกระเทือนเพราะน้ํามันไหวน้ำไหวก็เพราะลมมันไหวเนี่ยนะลมไหวนิดหน่อยน้ําก็ไหวน้ําไหวนิดหน่อยแผ่นดินก็เดาไหวแผ่นดินไหวอ่ะท ร, รัพย์สมบัติที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินก็อยู่ไม่ได้แม้ฉันใดน้อมาสู่แผ่นดินภายในเป็นไงผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับ ถามบอกว่ามันไหวมันหลุดไปเท่าไหรแล้วบางคนฟันหักแผ่นดินไหวไหมอย่างเงี้ยไม่จะไหวธรรมดาแล้วแผ่นดินพังด้วยใช่ั้ยฟันก่อนนะหากผมก็งอกเนี่ยหนังก็เหยียวย่นบางคนตาก็จะบอดหูก็จะตึงอย่างเงี้ยบางคนก็ถูกตัดถูกอะไรเยอะแยะไปเสร็จอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยดินภายในเนี่ยดินถล่มภายในน่ากลัวไหมน่ากลัวกว่าดินถล่มภายนอกไม ถามบอกว่าถ้าแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นแต่ฟันเราหักทั้งหมดในปากอันไหนน่ากลัวกว่ากันเนี่ยแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มเลยไหมฉะนั้นแผ่นดินภายในน่ากลัวาบางคนอุ๊ยตื่นเต้ น, นเงี้ยเลยใช่ไหมอันที่ฟันหักหมดปากไม่ยอมตื่นเต้นบางคนตายพังไปแล้วอย่าไปยังไม่ตื่นไม่ยอมตื่นเต้นเนี่ ตับพังไปแล้วงแผ่นดินทั้งนั้นเนี่ยแผ่นดินมันซุดแผ่นดินมันพังฉะนั้นมันไหวตลอดอลยโยมพิจารณาอย่างนี้แล้วถามนี่ไงนี่ไงผลบุญเที่ยงไหมผลของบุญเที่ยงไหมเป็นทุกไหมเบียดเบียน บ, บีบคั้นอยู่ตลอ ด, ดเวลาบังคับได้ไหมเนี่ยเข้าใจคำว่าอันนี้จังทุกขังอนนัตตายาง เมื่อเข้าใจอย่างนี้เบเสร็จก็เร่งรีบกระทาความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเสียฉะนั้นเนคคำมะการน้อมจิตจะออกจากวัตถุกรรมเหล่านี้จึงเป็นความจําเป็นแล้วเพราะจิตอ่อนโยนอย่างนี้พระศ า, าสดาก็แสดงทุกข์ให้เห็นนี่แหละคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นปัจจัยทําให้เรานั้นเข้าถึงคําสอนของพระศาสดามากยิ่งขึ้นเนี่พระศาสดาก็ปรับจิตของบริษัทให้อ่อนโยนในคําสอนเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ช่วงท้ายนี้ให้ถามหนึ่งปัญหามีใครถามมั้ย ไอ้ถามหนึ่งข้อเดี๋ยวช่วงบา่ายก็มีการถามตอบปัญหากอมีกครจะถามปัญหาไหมในขณะที่ท่านอุคะคะเาปะดีเนี่ยค่ะงเมาเมาสุลาอยู่ด้วยซ้าไปนะคะเมื่อได้ได้ศรัทธาเนี่ยนะคะได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมความเมามมยนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องกั้นเลยทำให้ท่านได้เข้าถึงธรรมด้วยซ้าไปตรงนี้ ถ้าในมองในแง่ของปัจจุบันเนี่ยค่ะเพื่อประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะว่าในปัจจุบันเนี้ยเราจะพลาคจิตของเราอย่างไรพลากจิตจากอกุศลให้มาสู่ <c oughs> จิตที่เป็นกุศลมาฟังธรรมเพื่อจะเป็นบาทเป็นฐานนำไปสู่การบรรลุธรรมอย่างตัวอย่างของท่านอุคคหาปีเตีเจ้าค่ะก็ตรงนี้ถ้ามีตัวอย่างจะมีหลายอีกท่านหนึ่งชื่อสารกาณีเนี่ย สรารการนี้เนี่ยสรารการนี้ก็กินเหล้าทั้งชีวิตเลยพอัะ น, นั้นอยู่ในตระกูลสากยะเล่นช่าชาวกบิลพัทรเนี่ยไม่เชื่อเลยเว่าบรรลุได้ไงโอ้ันรู้ได้ไ ง, ไไงคือปกติเป็นคนดื่มเหล้าเป็นอัธยาศัยถ้าพูดถึงก็คือคนที่เมาดีๆต่พอไปฟังธรรม菩าสดาแล้วสลัดออกจากแอลกอฮอล์ได้เนี่ยนะคือว่าสลัดจิตหลุดจากแอลกอฮอล์ได้ฟังธรรมแล้วได้บรรลุได้ นี่เป็นพระโสดาบันท่านนั้นเป็นพระโสดาบันแต่อุค่าข้ า, อาวอดีเนี่ยถ้ามองอย่างนี้นะว่าหนึ่งอัตยาสัยที่สั่งสมมาในอดีตแข็งแรงมากๆฉะนั้นการประทับคุณของพระาศาสดาไว้ในใจอย่างแข็งแรงอย่างตั้งมัน่นคนที่มีความรักในพระเจ้าอย่างตั้งมั่นเนี่ยเพียงได้ยินคําว่าพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วแค่นั้นแล้วก็สะเทือนใจแล้วสะดุ้งสะเทือนเนื้อเกิดศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแล้วทีนี้ถ้าอย่างเราท่านทั้งหลาย ในขณะที่เป็นผู้ที่มีจิตหนักหน่วงมากหนักหน่วงเพราะอำนาจของการมมาเฉนท่าคือความยินดีเพลิดเพลินพยาบาทคือหงุดหงิดพุ่งซ่านเป็นนิดแล้วก็ถีนมิทะหดหู่ท้อถอยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยแล้วก็อุทธจฉาความพุ่งซ่านอาวิช้าความมืดบอดถามว่ากลุ่มอกุศลทั้งหลายเหล่านี้นะที่รุมล้อมจิตใจอยู่เนี่ยถามว่าเราจะสลัดออกจากบาปอากุศลเหล่านี้ได้อย่างไร การจะสลัดออกจากบาปอกุศลเหล่านี้ถ้าถามว่าการมาฉันท่านี่ศรัทธาเนี่ยทำลายได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามองเรามองในชั้นของคําสอนเนี่ยนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยการที่สัตว์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะเดินอินทรีย์ห้าได้อย่างแข็งแรงเนี่ยเพราะเพราะว่าท่านเหล่านั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆในการที่จะมาแก้ไขตัวเองจริงๆถ้าถามว่า คนที่จะมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมถ้าเรารู้ว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยความเตรียมตัวเนี่ยค่อนข้างต้องพร้อมก็คือต้องตั้งใจมาไม่ใช่มาแบบไม่ได้ตั้งใจมาแบบเล่นๆมาอย่างความตั้งใจอ่อนอันนี้ก็แพ้ไปดังเยอะแล้วไอ้แค่จุดประเด็นแรกนี่ก็ ก, ก, ก็เริ่มเสียหายแล้วทีนี้ถ้าเรากรณีอย่างเงี้ยวับาว่า เราต้องเข้าใจสภาพของศรัท ธ, ธาให้ชัดเพราะศรัท ธ, ธาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ทําให้เกิดได้และทําให้มันยุบลงได้หนึ่งต้องเข้าใจศรัท ธ, ธาซึ่งเป็นธรรมะเบื้องต้นเลยลองคิดดูที่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวผลักดันศรัท ธ, ธาก็มาพิจารณาถึงทุกก่อนถามบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่สุขสบายดีไหมเอาทุกในปัจจุบันดูก่อนนะ ถ้าชีวิตของเราในปัจจุบนันมีทุกเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ในปัจจุบันด้วยแล้วยิ่งดีคนมีปัญหามากคนที่ทุกมากยิ่งดีขอให้เอาทุกเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาแต่ถ้าคนบางคนคิดว่าตนเองสะดวกสบายอยู่แล้วไม่ได้ทุกแต่ให้คิดถึงภัยใหญ่คือความเกิดมหาภัยเนี่ยนะคือความเกิด มหาภัยคือความแก่มหาภัยคือความเจ็บไข้มหาภัยคือความตายมหาภัยคือความโศกความล่ําไรลําพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคขับแค้นใจมหาภัยคือสังสารวัตรในอดีตที่เราทํากรรมชั่วไว้เยอะแล้วตอนนี้กรรมชั่วกําลังวิ่งมาจะถึงเราอยู่แล้วถ้าพูดถึงภาวะแห่งนักวิ่งแล้วน่ยวิ่งหายใจลดต้นคอเราอยู่ทุกวันเนี่ยกรรมชั่วเหล่านั้นจะส่งผลเราเมื่อไหร่ก็ได้เราพร้อมที่จะไปเป็นอบายสัตว์ แม้ในเพียงวินาทีข้างหน้าแต่ด้วยความที่เราไม่รู้ตัวเองนี่แหละฉะนั้นศรัทธาตรงนี้ต้องขึ้นมาทำงานต้องเอาข้อมูลคำสอนของพระศาสดาป ร, ราใใะทับตาตึงใจให้เยอะพอประทับตาตึงใจเยอะงี้ความทุกข์นี่แหละบีบคั้นทำให้ได้ศรัทธาในตถาคตาโพธิศัทธาเชื่อมั่นเชื่อมั่นคำสอนของพระศาสดาเนี่ยบริบูรณ์อยู่แล้ว ถ้าเราไปเห็นศาสนิกของศาสดาอื่นเนี่ยนะเขาไม่ได้มีคําสอนบริบูรณ์ใดๆเลยแต่เขาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวได้แต่เราเนี่ยคำสอนนั้นบริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถาและพยัญชนะครบถ้วนแต่เรากลับกลายเป็นผู้มีศรัทธาที่อ่อนแอมากๆนี่เป็นเพราะอะไรเพราะเราขาดการกระตุ้นเตือนคือเจตนาธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนชักนำศรัทธาให้ทำหน้าที่ไม่ดีพอ ธรรมชาติที่ไปกระตุ้นเตือนวิรยิยะทาหน้าที่ประคองกุศลก็ไม่ดีธรรมชาติที่ไปประคับประคองทําให้สติทําหน้าที่ระลึกได้ตามลึกได้ในกิจที่ทําคําที่พูดแต่ละวันที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่ได้สมาธิที่ตั้งมั่นและปัญญาให้เกิดเป็นต้นเหล่าเนี้ยฉะนั้นความจงใจตั้งใจต้องเกิดก่อนตั้งใจต้องเกิดทีนี้พอความทุกข์คนทั้งหลายเนี่ยถ้าบอกว่าทุกขนะ์เนี่ยขอให้ทุกข์จริงๆเถอะ ความทุกข์นั่นแหละจะมากระตุน้นศรัทธาแต่อย่าให้ความทุกข์เป็นปัจจัยแก่ความโศกเป็นปัจจัยแก่ความล่ําไรลําพันธ์นะถ้าความทุกข์ไปเบียดเบียนทําให้โศกทําให้ล่ําไรลําพันธ์แล้วโมหะมันครอบมันจะไปเพื่อทําบาปหนักยิ่งขึ้นฉะนั้นขอให้ความทุกข์เป็นปัจจัยแก่ตถาคตาโพธิศรัทธาเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วหันฟังธรรม ขันปฏิบัติตามพระธรรมที่สุดจริงๆที่กล่าวว่าบาปที่ลุมล้อมในใจนั้นจะถูกกระชากหลุดหมดเลยเพราะศรัทธาที่แข็งแกร่งเพราะความเด็ดเดี่ยวของศรัทธาที่มุ่งมัน่นนั้นศรัทธาที่ไม่เกิดเพราะจริงๆเราไม่เห็นทุกข์จริงขอยเห็นทุกข์จริงๆเหอะทุกข์นั้นดีปัญหานั้นดีอุปสรรคนั้นดีต้องบอกอยางเราเนี่ต้องเจออุปสรรคเยอะๆมันถึงจะเห็นทุกข์ เพราะอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยเป็นเวทีพัฒนากระแสของศรัทธาแข็งแกร่งใช่ไหมถ้าไม่มีเวทีพัฒนากระแสของชีวิตแล้วเนี่ยเราจะขึ้นสู่เวทีนั้นอย่างไรอย่าไปเห็นปัญหาอุปสรรคว่าเป็นที่กางกั้นแต่ปัญหาทุกปัญหาเนี่ยนะกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตทาให้ศนะรัทธาเนี่ยโลดแล่นได้ปัญหามากพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุ เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะเจอปัญหาเยอะสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้บรรลุเพราะเจอปัญหากันทั้งนั้นเลยฉะนั้นปัญหาเป็นปัจจัยเกฐฐีตศรัทธาความทุกข์ทั้งหลายเป็นปัจจัยเกียตศรัทธาที่แข็งแกร่งไม่มีใครช่วยเราได้แต่พระพุทธเจ้าช่วยได้พุทธเจ้าช่วยได้แต่ไม่ช่วยได้อย่างฐานะที่เราไม่เข้าเฝ้าท่านนะต้องเข้าถึงคําสอนของท่านจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าจะบอกวิธีการเห่งการที่เข้าไปพิจารณาแยกแยะ เข้าถึงสภาวธรรมต่างๆเหล่านั้นได้ฉะนั้นศรัทธาที่มีตัวทุกขเนี่ยเป็นตัวกระตุน้นนั่นแหละจะพาให้เราเข้าถึงคําสอนของพระศาสดาได้แต่อย่าเอาศรัทธาไปตั้งไว้ผิดที่แต่ให้ตั้งไว้ที่พระัตนาไตรแล้วเราจะก้าวพ้นจากปัญหานั้นได้แล้วจะเข้าถึงคําสอนของพระเจ้าได้พะเยซูบอก